ต้อนรับเพื่อนสหธรรมิกว่าที่พระธรรมกัตรเิเข้าสู่การฝึกอบรมนักเทศทุกรูปการเรียนเป็นนักเทศเป็นทั้งาศาสตร์และศิลป์ดังที่ผมได้พูดไว้ในครั้งที่แล้ว เป็นศาสตร์คือองค์ความรู้มีขั้นมีตอนที่เราจะต้องดำเนินตามขั้นตอนนั้นเป็นศิลป์เป็นศินปนนละปะที่เราจะต้องฝึกหัดทำให้เป็นชีวิตจริงเป็นชีวิตประจำวันเหมือนกับการฝึกยิงธนู ยิงธนูเขาจะมีขั้นตอนแนะนำว่ายกธนูอย่างไรเลงอย่างไรผมเคยไปที่ญี่ปุ่นไปที่วัดเก่าแก่ทุกปีจะมีหนุ่มสาวไปแข่งขันยิงธนูกันเป็นพันคนที่วัดนั้นโดยใช้ระเบียงสาลาเป็นที่ ฝึกยิงธนูห่างเป้านี่ห่างออกไปประมาณสัก80เมตรอยู่ที่ช่องทางที่ยิงเนี่ยมันเป็นระเบียงนอกนอกสลาสลาไม้สลาไม้อายุพันปีผมไปดูจุดที่เขายิงกันเนี่ย ยิงธนูกันมาเป็นพันปีนะปรากฏว่าไอ้ตัวคานเนี่ยหัวคานที่มันโผล่มาจากฝาผนังซึ่งนอกฝาผนังจะเป็นยิงที่ยิงธนูเนี่ยตัวคานที่อยู่ตรงกลางหัวคานเนี่ยคือที่รองรับไอ้หลังคาเนี่ยพลุนไปหมดเลยด้วยลูกธนูผมก็ถามว่า ทำไมมายิงเอาหัวคานนี่ล่ะทำไมไม่ยิงตรงๆรงไปที่เป้าทำไมมันลูกมันขึ้นม่เขาบอกว่าหลักในการยิงธนูก็คือต้องเล็งให้สูงกว่าเป้าเล็งให้สูงกว่าเป้าก็คือถ้าเป้ามาอยู่ขนาดหน้าเราเนี่ยเราต้องยกธนูปลายธนูให้ช้อน สูงขึ้นไปเพราะธนูเวลาที่มันเล่นไปเนี่ยมันมีน้ำหนักมันก็จะโค้งไปอย่างนี้น้ำหนักของธนูมันจะทำให้ลูกธนูเนี่ยวิ่งเป็นเส้นโค้งแล้วก็โค้งเรายิงสูงขึ้นไปแล้วมันจะโค้งลงตรงเป้าธนูพอดีถ้าเราเล็งตรงๆยิงไปเนี่ยมันจะตกถึงพื้นเลย ฉะนั้นนักยิงทั้งหลายก็จะเล็งให้สูงฉนี้บางทีแรงเกินไปมันก็ไปชน อ, อาคารหรือหลังคานี่เป็นหลักนะเป็นหลักการแต่วิธีการเนี่ยคือความชำนาญจะต้องเล็งพอดีไม่ให้สูงเกินไปก็ไม่เข่าเป่ามันจะไปโดนคานโดนหลังคาต่ำเกินไปมันก็โดนพื้นมันจะต้องสูงนิดหนึ่ง แล้วให้ลูกมันโค้งระยะไกลนี่มันจะลงมาที่เป้าพอดีเช่นเดียวกับการตั้งเป้าหมายชีวิตท่านอยากจะเป็นนักเทศระดับไหนถ้าท่านบอกว่าอยากจะเป็นนักเทศที่ประสบความสำเร็จในวัดของท่านท่านต้องเลงให้สูงกว่าวัด ต้องดังระดับตำบลแขวงถ้าท่านอยากจะประสบความสาเร็จระดับแขวงระดับตาบลท่านต้องเร็งว่าเทศทั่วอาเภอของเราแล้วระยะยาวมันจะลงมาแค่แขวงถ้าท่านอยากจะเป็นนักเทศนักพูดระดับจังหวัดท่านต้องเร็งในเขตภาค อยากจะเป็นนักเทศระดับภาคต้องเลงระดับประเทศอยากจะเป็นนักเทศโด่งดังในระดับประเทศท่านต้องเลงระดับอินเตอร์โด่งดังไปทั่วระยะยาวมันจะลดลงมันไม่ถึงหรอกฉะนั้นวันนี้ถามตัวท่านเอง เรามาฝึกเทศเหมือนกับฝึกยิงธนูท่านต้องการเป็นนักเทศระดับใดถ้ายังบินเตี้ยอยู่เลี่ยพื้นมันก็ไม่ไปไหนมาไหนท่านจะต้องเล็งให้สูงกว่าเป้านี่คือเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สอง เรามาฝึกที่วัดประยุทธรวงศาวาสไม่ใช่มาเรียนแต่ความรู้พื้นฐานวิชาการไม่ใช่เรียนแต่ศาสตร์แต่เรียนฝึกหัดเป็นศิลปะศาสตร์กับศิลปะต่างกันอย่างไรผมก็จะเล่าเรื่องนักยิงธนูของเซนอีกไปฝึกยิงธนูกับอาจารย์เซนที่ ยิ่งธนูแม่นมากอาจารย์ก็ให้สิทธิคนนี้ฝึกยิงธนูให้ตรงเป้าสามเดือนในพรรษาเนี่ยเข้าเป้าเมื่อไรแล้วให้มาบอกอาจารย์อาจารย์เขาจะสอนเทคนิคเบื้องต้นให้แล้วก็ให้ฝึกซ้อมพอยิงไปได้ลเลกเดือนครึ่งนะกลางพรรษาก็มาบอกอาจารย์ว่าอาจารย์ครับผมยิงเข้าเป้า ทุกครั้งนะครับตรงกลางเลยแม่นเลยผมจบหลักสูตรได้หรื อ, อยังอาจารย์ก็บอกว่าตอบคำถามก่อนถ้าตอบได้จะให้จบจงตอบมาว่าคุณรู้หรือไม่ว่าเหตุใดจึงยิงเข้าเป้าคะแนนเต็มตอบได้ไหม ไม่ได้ครับงั้นฝึกต่อไปตอบได้เมื่ อ, อไรค่อยมาบอกผมแล้วจะให้จบก็ฝึกไปจนออกรรษายิงก็แม่นแล้วก็มาบอกอาจารย์ว่าผมตอบได้แล้วว่าทำไมผมจึงยิงเข้าเป้าทุกครั้งคนยิงธนูที่ตอบไม่ได้ว่าทำไมจึงยิงเข้าเป้า มีแต่ศิลปะไม่มีศาสตร์แห่งการยิงธนูจึงสอนคนอื่นไม่ได้เป็นวิชาครูในการสอนยิงธนูก็คือต้องตอบได้ว่าทำไมจึงยิงธนูแม่นเขาได้แต่ศิลปะในการยิงแต่เมื่อใดเขาตอบได้ว่าทำไม ผมยึงยิงเข้าเป้าอาจารย์บอกจบได้คุณไปเป็นครูสอนคนอื่นได้เพราะคุณมีศาสตร์แห่งการยิงธนูแล้วหลายรูปสัก์แต่ว่าเทศได้เทศเป็นแต่บอกคนอื่นไม่ได้ว่าทำอย่างไรถึงเทศได้ดีเขามีศิลปะผมเจอนัก เพื่อนๆที่เป็นนักพูดนักเทศนั่งอยู่ข้างล่างนี่ซึมๆนะท่านแต่พอขึ้นเวทีปุ๊บเรียกว่าไม่รู้ว่าไปกดปุ่มไหนมันพังพรูมาโน้ตสักอันก็ไม่มีเตรียมขึ้นจอพ o ว e r p o i พอยก็ไม่มีให้เห็นคนฟังก่อน แล้วมันจะออกมารุ่นครูบาอาจารย์ที่เทพอย่างนี้คือหลวงพ่อปัญญาดันทะท่านจะคุณระแบบท่านจะท่านจะบอกกับผมเลยว่าผมเตรียมไม่ได้หรอกผมจะไหลออกมาถ้าเตรียมไม่ได้มันไหลออกมามันเป็นความสามารถเฉพาะตัวท่านท่านไม่สามารถบอกคนอื่นได้ว่าจะทําอย่างไร หลายรูปในที่นี้ก็อาจจะคล้ายๆกันมันจึงบางครั้งก็ประสบความสำเร็จถ้าอารมณ์เราดีบางครั้งมันก็ล้มเหลวโดยไม่รู้ว่าเพราะอะไรไม่มีการประกันคุณภาพในการพูดในการเทศให้เสมอต้นเสมอปลายมันเป็นความสามารถเฉพาะตัวศิลปินเดี่ยว มันเป็นศิลปะแต่ถ้าสำนักใดสามารถบอกได้ว่าเทศอย่างไรจึงประสบความสาเร็จเทศอย่างไรจึงล้มเหลวสามารถแนะสามารถสอนได้สำนักนั้นเป็นสำนักฝึกอบรมนักเทศครับทำไมวัดประยุรองศาวาจึงสามารถทาตรงนี้ได้ เราต้องยกความดีให้กับบุรพาจารย์รุ่นแรกๆที่ท่านสอนเรามาแต่มาถึงปัจจุบนันนี้รุ่นที่ยี่สิบหกเนี่ยอย่าลืมว่าตลอดยี่สิบหรุ่นที่ผ่านมาเนี่ยเรามีทีมวิเคราะห์เรามีนักวิชาการเราได้ทำคำละำราทำคำพีทุกรูปแบบท่าน โดยนิมนต์ศิลปินเดี่ยวทั้งหลายมานั่นแหละแล้วเราก็มานั่งวิเคราะห์ว่าทำไมเขาจึงประสบความสำเร็จแล้วก็ถอดรหัสออกมาเอามาเป็นศาสตร์ของนักเทศทำเป็นคู่มืออย่างของผมเนี่ยหนังสือที่เกี่ยวกับ57เทศนาหนึ่งเล่มให ญ, ใหญ่หรือ61เทศนามันจะมีศาสตร์ ความรู้เบื้องต้นหลักการและวิธีการเทศอยู่ในนั้นนั่นคือถอดรหัสมาจากผู้ทรงคณู้ทิทั้งหลายจากประสบการณ์ตรงของพวกเราเราจึงสามารถตอบได้ว่าทำไมจึงเทศได้ประสบความสำเร็จทำไมจึงเทศแล้วมันล้มเหลวถ้าเมื่อใดท่านตอบได้ มันจะนำไปสู่ข้อที่สมการฝึกเทศมันไม่มีระดับตายตัวตั้งแต่ต้นท่านบางครั้งเราประสบความสาเร็จในวัดไปในระดับตำบลอำเภออาจจะตกมาตายบางครั้งไปในระดับอาเภอตำบลประสบความสาเร็จแต่มาในวัดตกมาตายมันเป็นศิลปะที่ไม่แน่นอน เพราะฉะนั้นทุกครั้งมันจะต้องมีความกังวลมีความหวั่นใจเมื่อเป็นอย่างนั้นเนี่ยการจะเป็นนักเทศที่พัฒนาตัวเองรับประการแห่งความสําเร็จต่อเนื่องไปท่านเจ้าต้องทําเรื่องหนึ่งมีสี่ขั้นตอนฝึกตั้งแต่ท่านมานั่งอยู่ที่นี่จนจบหลักสูตร ข้อที่หนึ่งนะครับในฐานะที่ท่านนั่งฟังคนอื่นผมยังไม่เรียกว่าสีขั้นตอนนะขั้นแรกก่อนท่านอย่าสักแต่ว่าฟังอย่างเดียวท่านต้องวิเคราะห์ด้วยว่าเขาทำอะไรบ้างจึงพูดได้หน้าสนใจเทคนิคลีลาน้ำเสียงสายตาท่าทาง เป็นอย่างไรวิเคราะห์วิทยากรทั้งหมดเลยผมจะแนะท่านตั้งแต่ชั่วโมงแรกนี้อย่านั่งฟังผมอย่างเดียวผมทําได้อย่างไรเหมือนกับที่ที่อาจารย์สอนยิงธนูถามลูกศิษย์ว่าแล้วยิงได้ถูกเป้าได้อย่างไรแต่เนื่องจากว่าท่านยังไม่ได้ขึ้นมาฝึกยิงท่านดูคนอื่นแล้วถามว่าถามตัวเองว่าเขาทําเช่นนั้นได้อย่างไร เพื่อเราจะได้เรียนแบบนี่คือเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองดูคนอื่นพอสมควรแล้วเขาสอนศาสตร์ขั้นตอนพอแล้ววันหนึ่งเมื่อถึงเวลาที่เขาเชิญนิมนต์หรือเกณฑ์ท่านกระตามมาขึ้นธรรมาจริงนั่นเป็นขั้นที่สองอย่ารีรอครับรีบมาขึ้นเลย พอขึ้นแล้วเนี่ยมันอาจจะประมาอาจจะสันอาจจะไม่ได้เรื่องช่างมันแต่สําคัญให้ท่านทําพอพอทําจริงแล้วนะท่านฟันคนประเมินท่านวิทยากรที่เขามาดูท่านเนี่ยประเมินเขาให้ให้ข้อแนะนําอะไรนี่คือเรื่องที่สามขั้นที่หนึ่งท่านประเมินคนอื่นวิเคราะห์คนอื่น ท่านที่สองท่านทำจริงท่านที่สามฟังคนอื่นประเมินท่านอย่าไปกลัวเสียหน้าพอฟังคนอื่นประเมินท่านท่านก็ประเมินตัวท่านเองด้วยขณะที่ท่านนั่งอยู่บนธรรมะนั้นท่านรู้สึกอย่างไรขณะที่ท่านพูดเนี่ยคนฟังมีปฏิกิริยาอย่างไรถ้า ประสบความสำเร็จหรือล้มเหลวตามเกณฑ์ที่วิทยากรเขาแนะนำเนี่ยเราก็ข้อหนึ่งสังเกตคนอื่นข้อสองลกขึ้นทำจริงข้อที่สามประเมินตัวเองโดยผ่านวิทยากรบ้างประเมินตัวเองบ้างงานนี้สาเร็จหรือล้มเหลวขั้นที่สามนะขั้นที่สี่กลับไปวัดนั่งทบทวนเรียกว่าวิเคราะห์เราล้มเหลวเพราะอะไร เราสําเร็จบานตอนเพราะอะไรท่านอจะต้องทํานะถ้าไม่ทําท่านไม่สามารถจะทะลวงจุดให้เป็นนักพูดที่ดีกว่าเดิมได้พูดง่ายว่ามาเรียนหลักสูตรแล้อยู่แล้วยังเหมือนเดิมสามเดือนแล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นท่านกลับไปแล้วตั้งคำถามเราพูดเรื่องอะไรนะเขาถึงชอบเราเล่านิทานเป็นยังไงถึงล้มเหลว พอวิเคราะห์ตัวเองในขั้นนี้เสร็จขั้นที่สี่นะวิเคราะห์ว่าทำใหม่หรือทำอะไรเมื่อได้จุดว่าเราทำอย่างนี้ประสบสำเร็จสรุปว่าครั้งต่อไปเราจะทาที่ทำซ้ำทำซ้าถ้าทำอย่างนี้แล้วมันตกธรรมาสตรบรณภาพเราก็จะไปหมดกำลังใจครั้งต่อไปอย่าทำ เช่นไปเผอพูดว่าแทนที่อาจจะมาภาพเดไปพูดว่ากระผมอย่างนี้หรือลงท้ายว่าเทินอย่างนี้มันก็ไม่ใช่เรื่องขอขานมาตายครั้งต่อไปอย่าได้ไปเผย อ, อีกและเวลาทำจริงในครั้งต่อไปอาจจะไม่มีแล้วที่นี่หรือมีก็โชคดีไปไปใช้ในวีทีจริงที่วัดของท่านในสนามของท่านแล้ววงจรมันก็จะวนอยู่อย่างนี้ เท็จริงพูดจริงอาจจะไม่ได้เทศอาจจะขึ้นพูดอ่าสอนประเมินทุกครั้งประเมินเสร็จให้อาจจะถามคนด้วยซ้ำเป็นไงวันนี้ผมพูดเขาท่าไหมถ้าเขายิ้มแย่ๆก็ไม่ต้องพูดผมลุกละไปละ <c oughs> ไม่ต้องเกรงใจไปละแต่อย่าพูดมากเดี๋ยวผมอารมณ์ไม่ดีเพ็เลยเราก็ประเมินได้ท่านรีแอคชั่นคนเนี่ยพอประเมินแล้วสำเร็จล้มเหลว ถ้าสำเร็จสำเร็จเพราะอะไรเป็นข้อวิเคราะห์ข้อต่อมาวิเคราะห์เสร็จสรุปเป็นบทเรียนเราจะได้อไปทำต่อไปคนที่ทำอย่างนี้เรื่อยๆต่อไปจะเป็นครูของนักเทพได้ด้วยและตัวเองจะพัฒนาตลอดเวลาทั่วไปที่เขาสอนคนอื่นไม่ได้เป็นปัจเจกพุทธเนี่ยนะเพราะไม่วิเคราะห์ท่าน ท่านต้องฝึกวิเคราะห์ตัวเองวิเคราะห์คนอื่นแล้วเอาไปทำเอาไปปรับปรุงอย่างนี้แล้วท่านก็จะดีขึ้นเรื่อยๆมันจะเป็นเขาเรียกวงจรที่หมุนขึ้นข้นขางบนไม่ใช่วงจรที่หมุนลงจมธรณีนะครับนี่คือสิ่งที่ผมขอแนะนําข้อปฏิบัติแก่พวกเราจดไว้นะครับขั้นตอนเนี่ยนะข้อที่หนึ่ง ท่านมาทึกไว้นะขั้นที่หนึ่งเวลาฟังเวลาศึกษาคนอื่นถามคำถามว่าทำไมเขาจึงพูดดีพูดไม่ดีเทศดีไม่ดีนี่คือเป็นแบบฝึกหัดในใจของท่านข้อที่หนึ่งข้อที่สองเราก็ทำได้ขึ้นเวทีเลยขั้นที่สามประเมินสำเร็จหรือล้มเหลวขั้นที่สี่ สำเร็จเพราะอะไรล้มเหลวเพราะอะไรขั้นที่ห้าถ้าสำเร็จก็เอาไปทำซ้ำถ้าล้มเหลวก็อย่าทำในเวทีจริงและก็วนอยู่อย่างนี้ภายในหนึ่งปีนีท่านจะเปลี่ยนไปเยอะเลยท่านไม่ธรรมดาขึ้นค่าตัวได้ฉะนั้นวันนี้ผมจะพูดเรื่องหลักการที่ว่าเอาไว้ตรวจสอบ การที่ท่านจะรู้ว่าคนนี้เทศเป็นไม่เป็นท่านจะต้องมีหลักการและวิธีการหลักการคือหลักอย่างนี้ต้องเทศอย่างนี้แล้วไปเทศจริงวิธีเทศเป็นอย่างนี้ถ้าไม่เทศอย่างนี้ล้มเหลวถ้าเทศอย่างนี้ประสบความสาเร็จหลักการและวิธีการมันไปด้วยกันแต่ท่านอย่านั่งฟังเฉยๆผมให้ท่านดูบรรจอภาพด้วยจดบันทึกด้วย จำไว้ดีกว่าจดถ้าจำไม่หมดจดไว้ดีกว่าจำไอ้จดสามคำนี้สมประโยคนี้ด้วยนะเพราะเดี๋ยวมันก็ลืมเป็นแบบฟึ้นหาท่านจำไว้ดีกว่าจดถ้าจำได้เราไม่ต้องจดแต่มันจำไม่หมดเหรอท่านถ้าคิดว่าจะจำไม่หมดจดไว้ดีกว่าจำ ผมจึงมีจอให้ท่านด้วยเพราะในการที่ผมสอนมา26ปีผมรู้ถ้าไม่มีจอให้ท่านยังไงท่านก็ลืมและถ้าท่านไม่จดยังไงมันก็จาไม่ได้นี่คือศาสตร์แห่งการสอนวิชาการเทสนาที่ท่านจะต้องร่วมมือทุกวิทยากรครับอย่าไปนั่งเฉยๆข้อต่อไปครับทำไมผมจึงไม่พูดเฉยๆให้ท่านจดก็เพราะว่า การมองเห็นภาพทำให้เกิดความเข้าใจได้ง่ายภาพหนึ่งภาพมีค่าเท่ากับคำพูดหนึ่งพันคำเราพยายามอธิบายนะครับว่าดอกไม้ถ้าจัดใส่แจกันแล้วมันจะสวยอย่างไรเนี่ยพูดปากเปียปากแชะเขาไม่เข้าใจหรอกครับแต่ถ้าผมชี้ว่านี่จัดอย่างนี้นะสมมตินะว่ามันสวยนะผมไม่ต้องพูดมากเลยท่าน าก็เห็นแหละแล้วตกลงมันสวยหรือไม่สวยผมไม่รู้นะถามอาทิตย์เองเนี่ยไปจ้างไทยมาเนี่ยนะสมมตินะเห็นไหมภาพของจริงหนึ่งภาพมันมีค่าเท่ากับคำพูดหนึ่งพันคำในหลักของการเทศท่านจะต้องมีสื่อและอุปกรณ์ผมจะพูดเป็นเรื่องสุดท้ายในวันนี้โดยมากพวกเราเข้าใจผิดครับ ว่าไปขึ้นธรร ม, มาถือคัมภี์นั่งทื่อๆเลยนะใช้สื่อไม่ได้และมันก็ใช้ไม่ได้จริงๆแหละเพราะเขาบังคับให้ท่านนั่งถือคัมภีร์ท่านจะไปชี้โบชีเบอย่างที่ผมบรรยายตอนนี้ไม่ได้เอาขึ้นจอก็ไม่ได้มันจึงปราบเซียนมานักต่อนักครับท่านพูดดีอย่างอื่นแต่ขึ้นธรร ม, มาตกมาตายเนี่ยเพราะว่าเราไปนึกว่า การเทศต้องนั่งนิ่งนิ่งซึ่งมันก็นิ่งจริงๆแล้วมันนิ่งไปหมดจนกระทั่งคนหลับซึ่งผิดในการเทศนั้นถึงตัวท่านจะนิ่งแต่เสียงของท่านอย่าให้มันนิ่งเป็นกระแสะเดียวกันเขาเรียกโมโนโทนัสโทนเดียวกันหมดเลยนะบัดนี้อาจามาภาพจะแสดงพระธรรมเทศนาะ เพื่อเป็นเครื่องแบบครับแของอย่น้องจุเด้อไล่ไปเรื่อยแ้วหลับไปครึ่งสลานะครับท่านจะต้องมีสูงมีต่ําในการเทศมันมีศิลปะที่ไม่นิ่งก็คือน้ําเสียงครับอาจจะให้ท่านสังเกตลีลาผมก็ได้มาในการเทศจริงเนี่ยเมื่อเช้าผมก็เทศตอนนี้ผมก็บรรยายเนี่ยว่าเสียงผมเนี่ยมันมีหนักมีเบามีเน้นมีจังหวะจักโคน อันนี้เป็นศินละปะที่ใครฝึกคนนั้นทำได้ครับแล้วมันจะน่าสนใจนี่เคล็ดลับอันแรกนะครับคนมักจะนึกว่าการเทศคือระดับเดียวกันหมดเสียงระดับเดียวกันผิดครับและทำเสียงสูงเสียงต่ำมากเกินไปเขาก็ไม่ใช่เทศแล้วตอนไหนควรจะเสียงสูงเสียงต่ำตอนไหนควรจะ เรียกว่าระดับเดียวกันอันนี้เป็นศาสตร์ซึ่งผมจะสอนต่อไปบางคนพูดมาเทศกับพูดให้มันตื่นเต้นโอ้ยเขาบอกนี่ไม่ใช่เทศมาจากสำนักไหนล่ะผิดคิวแล้วเทศมันจะต้องทาอย่างนี้เขาจะมีแบบของมันและในแบบของมันนี่แหละเขาจะบอกว่าตอนไหนควรจะเนิบหนาบตอนไหนควรจะสูงสูงต่ำาๆเห็นไหม มันเป็นสัตว์และท่านก็ฝึกให้มันเป็นศิลปะอีกเรื่องหนึ่งที่ผมจะแนะในตอนท้ายก็คือไม่ใช่ว่าเสียงสูงต่ำอย่างเดียวเราสามารถใช้สื่ออุปกรณ์ได้ด้วยโดยไม่เสียกิริยามารยาทใช้อย่างไรเดี๋ยวผมจะเสนอในตอนท้ายท่านจำไว้ก็แล้วกันนะครับภาพหนึ่งภาพมีค่าเท่ากับคำพูดหนึ่งพันคำ เอาตอนนี้ก็แล้วกันเราไปเทศในงานต่างๆถ้างานหล่อพระพุทธรูปมันก็มีพระพุทธรูปที่กำลังจะหล่อหรือแบบให้คนดูเราก็ให้มันตั้งไว้ข้างหน้าให้คนดูไปงานศพคุณจะดูอะไรครับเด่นที่สุดอะ่ะเขาตั้งอยู่ตรงนั้นน่ะแล้วคนอยากดูไหมครับ เพราะฉะนั้นเราต้องมีลีลาอยู่ๆบอกโยมดูโลงเน่ยแล้วคนในโลงด้วยนึกถึงไว้หน้าตาเป็นยังไงอะ่ะสงสัยบวมมะลุนชุงไม่อยากฟังหรอกท่านเราก็บอกชีวิตเหมือนดอกไม้ที่ประดับอยู่เบื้องหน้าโลงศพเนี่ยใส่แจกันสวยงามบางดอกเป็นดอกหญ้าให้คนเหยียบยำ่ำ บางดอกได้ใส่ใส่แจกันทองให้คนได้กราบไหว้เมื่อไหว้พระแล้วแต่ว่าจะเอาดอกไม้นั้นไปใส่ไว้ในแจกันอะไรชีวิตคนเราก็เกิดมาก็เหมือนดอกไม้ดอกหญ้านั่นแหละอยู่ที่ว่าไปใช้ชีวิตอย่างไรถ้าใช้ชีวิตงดงามก็จะเป็นที่ยกย่องเรื่องลือสรรเสริญดังที่ในวันนี้ ท่านทั้งหลายได้มาร่วมงานกับครับข้างด้วยน้ําใจอไรไยรักผู้จากไปนี่คือดอกไม้ในแจกันทองเห็นไหมคนก็ดูดอกไม้ด้วยท่านไม่ใช่นั่งเ อ, อือหหเน่เหมือนพระเลยนะละพูลำตาเทศเห็นไหมฉะนั้นในในวันนี้เนี่ยผมก็มีสื่อมีอุปรกรณ์ให้ท่านด้วยผมนั่งเตรียมเองนะครับเช้าผมก็ต้องเตรียมเทศบ่ายก็ ผมก็นั่งมาเตรียมพึ่งเสร็จทุกปีผมจะเตรียมใหม่หมดไม่คิดค่าตัวนะครับนี่คือสิ่งที่บอกกับท่านทั้งหลายว่าในการที่ท่านจะนำเสนอมันจะต้องใช้ทุกรูปแบบเท่าที่การเทศนาจะอำนวย อะไรบ้างเดี๋ยวจะว่าไปทีละตอนเรื่องแรกครับผมได้พูดแล้วว่าก่อนผมจะมาพูดที่นี่ผมเสียเวลาประมาณชั่วโมงหรือสองชั่วโมงในการเตรียม powerpoint เนี่ยเดี๋ยวท่านจะเห็นเองว่าผมเตรียมอะไรมาผมจะต้องลำดับเรื่องต้องเตรียมต้องซึกยิ่งต้องค้นด้วยท่านค้นจากพระใจปีดก คนจากบาลีคนจากภาษาอังกฤษอะไรต่างไม่รู้เอามาเยอะแยะหมดเพื่อเอามารวมกันเป็นบทบรรยายวันนี้นั่นก็คือหลักพื้นฐานครับอย่าเทศโดยไม่มีการเตรียมตัวเป็นเด็ดขาดยิ่งเราเป็นนักเทศใหม่นะครับไม่ใช่ว่าใครบอกโอ้หาจเจ้าวาดไปเจอท่านขึ้นหน่อยสิตอนนี้อย่าเสี่ยงครับ มันจะไม่ได้แจ้งเกิดครับมันจะได้แจ้งมรณภาพเรื่องอะไรจะใจร้อนจะปลูกพืชต้องเตรียมดินจะกินต้องเตรียมอาหารจะเทศนาวาทการต้องเตรียมตัวครับจดไว้เลยครับอย่าเทศหรืออย่าพูดโดยไม่มีการเ ต, เตรียมตัวเป็นเด็ดขาดสำหรับนักนักพูดหน้าใหม่นะครับท่านจะต้องรู้ว่าจะพูดเรื่องอะไรจะเอานิทานอะไรจะเดินเรื่องอย่างไง โครงเรื่องเป็นยังไงเล่าเรื่องประกอบจะเป็นอย่างไรอย่างน้อยไปค้ น, คนไม่เชนั้นท่านก็จะย่ำเท้าอยู่กับที่เดิมและไม่มีอะไรดีขึ้นในการเตรียมตัวนะครับใครปิดแอร์นี่ให้ผมหน่อยในการเตรียมตัวเนี่ยมันมีสามเรื่องนะครับหนึ่งเราจะพูดเรื่องอะไรท่านต้องรู้ก่อนนะเตรียมเรื่อง หัวข้อเรื่องเรามีความรู้ในเรื่องนั้นเพียงพอไหมและเราก็เตรียมตัวแล้วก็เตรียมใจเตรียมเรื่องเนี่ยส่วนมากเจ้าภาพเขาจะกําหนดมาเพราะงานมันจะกําหนดเองเราก็จะได้ไปค้นไปหามีหลักอย่างนี้นะครับถ้าท่านอยากจะพูดเรื่องอะไร สมมติว่าเรื่องอริยสัจสี่ดีที่สุดท่านหาเทปหาวิดีโอหานังสือเกี่ยวกับเรื่องอริยสัจสี 4, ที่คนอื่นเขาพูดเขาเทศไว้แล้วเอามาฟังเอามาดูฟังสักห้ารูปสิบรูปปรมาจารย์พูดนะครับเราเกือบจะเทศได้เลยครับง่ายๆครับแต่ท่านจะต้องหามาก่อน ท่านจะเทศเรื่องอะไรเนี่ยนะครับดูให้มันซึมเข้ากระดูกเลยวิธีนี้เป็นวิธีของพันเอกปิ่นมุทุกันตอนที่เป็นสมณีนะครับอยู่ต่างจังหวัดก่อนจะมาอยู่วัดสมพันธวงศ์หรือมาอยู่วัดสมพันธวงศ์ใหม่ๆท่านตามฟังนักเทศชื่อดังในสมัยนั้นคือพระอุบาลีคุณุปมา จ, จาร์น สิริจันโทวัดบรมนิวาสเทศดีเหลือเกินท่านชอบแล้ววันหนึ่งท่านก็ไปได้กันเทศที่พระอุบาลีท่านแต่งมาหนึ่งกันครับอ่านด้วยความทราบซึ้งจำมันทุกตัวเลยครับท่องเลยแล้ววันหนึ่งที่วัดเกิดพระผู้ใหญ่ที่จะเทศนไม่อยู่ให้องนุน่นองนี้เทศก็ไม่มีใครกล้า ไม่ได้เตรียมแต่สมณเนปิ่นท่องมาแล้วทั้งกันครับเสียบทันทีประสบความสำเร็จโอ้โหล้นหลามมากครับดังชั่วข้ามคืนเลยเทศดีเหลือเกินมีเสียงบอกเอาอีกเอาอีกวัดพระน้าไม่ว่างขออีกเดือนหนึ่งเพราะไปท่องกันที่สองเออทองนะเออทำลีลาเหมือนพระ อ, อุบาลรเลยครับ น้ำหนักเสียงอะไรต่างต้นฉบับมาเทศครับเดือนที่สองโอ้โหตึมเลยครับเนนเทศเก่งมากเอาอีกเนะก็เล่นตัวครับเดือนสุดท้ายออกพรรษาเขานิมนต์ก็ได้อีกกันหนึ่งท่องออกที่ไม่ซ้ากันนิทานก็ไม่ซ้ายุ่งตอนไหนครับในวัดชักรู้แหละถ้าขืนเทศต่อนี่เขาจะรู้มันท่องได้สามกันตเวนเทศนอกวัดสิครับ เออดังแล้วนี่ก็ไอ้กันที่หนึ่งแหละไปวัดนี้กันที่สองไปวัดนูด้นวัดน้นใครจะไปรู้ลรอครับท่องตามนั้นเลยโอ้ยตอนหลังทางวัดบอกมัวแต่ไปเทศข้างนอกตามประเทศที่วัดหมดภูมิแล้วครับทําไงรู้ไหมเอาสามกันผสมกันเป็นกันที่สี่ได้อีกเห็นไหมเพราะผสมกันได้แล้วต่อไปนี้เนี่ยนะคิดเองเลยครับเป็นนักเทศยอดเยี่ยมเลย พันเอกปิ่นมูทุกกันเห็นไหมครับว่าแค่ตามฟังพระอุบาลีาลคุณุปมาจารย์แล้วเอาของท่านมาเตรียมมาท่องมาอะไรต่างๆแค่นี้ก็แจ้งเกิดละสมัยนี้เนี่ยสื่อมันเยอะมากท่านจะเปิดหากู o ก l e หาอะไรต่างๆนี่ยโอโ้โหพระพรหมบดีเทศไว้ที่ไหนเนี่ยครับให้มือมันกดได้ก็เจอแล้วครับทุกเรื่อง ปีนี้วันเกิดผมเนี่ยผมจะแจกเทศนาและปาจากถานะครับเป็นเทปฟังเนี่ยเปิดฟังได้เลยแฟนคอเนี่ยกี่เรื่องนะครับสี่ร้อยที่เตรียมทําไปแล้วเนี่ยสี่ร้อยหกสิบห้าเรื่องสี่ร้ยสิบห้าเรื่อง ฟ, งฟังฟังวันเรื่องเนี่ยเกินปีนะครับเนี่ยที่จะแจกแต่แต่ทำจำกัดนะครับใครไวใครได้ นะแล้วก็ในในสี่ร้อยหกสิบห้าเรื่องเนี่ยเป็นพูดปาต ก, กระถาภาษาอังกฤษสามสิบเรื่องครับเสียงผมที่พูดภาษาอังกฤษ อ, อยู่ในนั้นน่ไปพูดในต่างประเทศยู UN ที่ไหนผมเก็บเกยวเอามารวมกันหมดใครอยากจะบอกเมื่อแล้วอยากจะโกอินเตอร์เอาไปฟังเลยครับให้เทศดังกว่าผมผมก็ไม่ว่าอะไรเห็นไหมครับ ให้ทุกอย่างท่านท่าเอาไปฟังแล้วก็วิเคราะห์ไปด้วยอย่างที่ผมว่าฟังแล้วก็วิเคราะห์อันไหนดีเราไปใช้เตรียมเรื่องอยากจะพูดเรื่องอะไรฟังเรื่องนั้นบ่อยๆแต่ไม่ใช่พูดคนเดียวนะครับหลายๆคนอยากจะเป็นนักเขียนเรื่องอะไรอ่านเรื่องนั้นบ่อยๆแต่จากนักเขียนหลายคนนี่คือหลักในการทําวิจัยครับ ทำวิญญาณิพนในการทำวิญญาณิปนปัิญาโทปนเอกมันก็อ่านเรื่องเดียวนั่นแหละครับแต่ว่าคนเขียนไม่รู้กี่แง่กี่มุมเป็นร้อยเรื่องแล้วในสุดเราจะเขียนให้มันได้สักคนหนึ่งในร้อยคนไม่ได้หรืมันก็ได้ครับถ้าท่า น, า น, านอ่านจริงๆอะ่ะถ้าท่า น, านฟังคนเยอะๆเนอะวันหนึ่งเนี่ยครับมันมันจะอกแตกตายถ้าไม่ได้พูดครับผมสังเกตรพระวตาประยูนเนีนะ่ยไม่ว่างไม่ได้ครับเพราะเจ้าว่าเทศอัดทุกวันนะครับผมเทศไปบ่อยเนี่ยมัน มันรอนวิชานะครับนะเนบางทีเอาเรื่องที่ผมเทศไปเทศต่อครับไม่แบ่งค่ากันเทศด้วยใครนะว่าที่เทศทั้งปีสาธารธรรมองนี้ก็เทศทั้งปีไม่แบ่งกันเทศเลยเอาผมเนี่ยเป็นต้นฉบับสาธารณธรรมตอนนั้นอะ่ะแล้วก็บริหารนี่ใช่ไหยธรรมะสาหรับนักบริหารท่านวิเชียรไปเทศทั้งปีไม่รู้งานอะไรบ้าง นั่นะนี่คือเตรียมเรื่องนะครับอ่ะเรื่องที่สองเตรียมตัวครับคาว่าเตรียมตัวเนี่ยหมายถึงจัรญามารยาตจัรญานักเทศครับท่านต้องรู้ว่าจะขึ้นธรรมะเนี่ยต้องไหวใครก่อนต้องเดินขึ้นธรรมะมอย่างไรเขาถึงจะประทับใจนะเปิดตัวให้มันประทับใจตั้งน้ำโมอย่างไรน้โมห้าชั้นเป็นยังไง ให้ศีลโม่สามชั้นเป็นยังไงเตรียมรู้ให้รู้ไว้หมดฝึกให้หมดเริ่มต้นเนี่ยควรจะเริ่มอย่างไรบาลีอุทเทศเป็นยังไง ร, รู้หมดโดยเฉพาะจัญญานักเทศครับการเป็นนักเทศเนี่ยท่านจะต้องขึ้นธรรมะให้องค์อาจสง่างามน่าเชื่อถืออย่าเดินขึ้นธรรมะแบบสั่นพับๆนะฮะโอ้ตาลปัดดังกกแกกกแกก็เพราะสั่นเนี่ยนะ โยมเขาก็จะรู้ท่านนี่พระจะมาโปรดเราหรือให้เราโปรดจะรอดหรือไม่งานเนี้แล้วขึ้นทํามาเนี่ขึ้นยังไงท่านรู้ไหมไม่ใช่เดินดุยดุยขึ้นไปยืนบนธรร ม, มาะแล้วหมุนไปพ ม, มุนมาเตะกระโถนตกเราอีกมีนะครับไม่ได้ฝึกมาก่อนไม่ได้มีสํานักฝึกอย่างเราเนี่ยขึ้นไปเตะกระโถนตกอ้าวทำเ อ, เอตระปัดหยิบไปหยิบมาหล่นกันไปอีก ผมเคยไปฟังพระประโยชน์เก้าเทศงานศพสมเด็จตอนยะถาครับตั้งพัดเดี่ยเอาไอ้หน้าที่คนจะเอาออกเนี่ยตาเจดีย์วัปไปยุนเอาเข้าเอาข้างหลังออกแล้วไม่รู้นะครับเนี่ยไม่ได้เตรียมตัวไม่ได้ฝึกไม่ได้อะไรทั้งนั้ น, นจับตระปัะดัก็ไม่ถูกให้ศีลก็ไม่ถูกตับตระประดักลับด้านอย่างเงี้ยคนมันจะมีความรู้สึกว่าท่านเทศ ไม่เป็นหรอกมันจะใจมันจะปิดละ่ะนี่คือเตรียมตัวเราจะมีวิชาเรื่องจัร ญ, ญาณนักเทศท่านจะต้องตั้งใจฝึกเตรียมใจครับเตรียมใจนี่เรามีฝึกกรรมฐานใช่ไหมกรรมฐานเนี่ยฝึกให้ท่านนิ่งสงบไม่ไม่กระสับกระส่ายไม่กังวลไม่ประมาทเกินไปประมาบบ้างก็ดีครับแต่ว่าอย่าให้มันเครียดเสกคาถาด้วยเนาะ บางคนเขาเสกคาถาด้วยเดี๋ยวมันจะมีวิธีการสอนเรื่องนี้นะครับเอาเป็นว่าในการเตรียมตัวเตรียมการนี่ท่านอย่าไปพึ่งอย่ารีบร้อนวิชานะครับมาเรียนอยู่ไม่กี่สัปดาห์นี่ไปบังอาจขึ้นธรรมะมใหญ่นี่มันจะความทรงจำที่ไม่ดีมันจะติดไปเพราะเราไม่ได้ฝึกและเราจะเกิดความกลัวธรรมะ ถ้าเกิดไปล้มเหลวท่านอย่ารีบดีครับเอาธรรมะเล็กๆก่อนค่อยๆไต่ไปเรื่อยๆใหม่ๆเนี่ยนะถ้าท่านพรวดพลาดขึ้นไปเนี่ยมันรีบดีครับแล้วเราก็จะกลัวเพราะเราล้มเหลวฉะนั้นต้องทำตัวเหมือนกับไผ่เมาซูนะคนจีนเรียกไผ่เมาซูฝรั่งเรียกโมโซครับ ไผ่เนี่ยมันเป็นหน่อเดียวครับหน่อเดียวปลูกห้าปีโตช้ามากครับเกือบจะสูงไ ม, ไม่ทั่วหัวเลยห้าปีเนี่ยเตี้ยหนอมันไม่รู้ทาไมมันไม่โตหน่อเดียวโผล่ขึ้นมาอยู่ยแค่นั้นเน่แต่หลังจากห้าปีครับมันโตวันละสองฟุตครึง่งไผ่ที่ว่าเนี่ยพลวดพวดวันละสองฟุตครึง่ง สูงเต็มที่เจ็ดสิบห้าฟุตภายในหกสัปดาห์หลังจากห้าปีนักพฤกษศาสตร์เขาก็สงสัยว่าทำไมไผ่โมโซ่มันเป็นอย่างนี้เขาก็ไปขุดขุดใต้ดินดูครับพบว่าห้าปีแรกเนี่ยมันซุ่มอยู่ใต้ดินครับรากมันงอกอยู่ใต้ดินชอนชัยไปตามแหล่งน้ำแหล่งอาหารรอบรอบเนี่ย รัศมีหนึ่งรัศมีรอบๆอบเนี่ยลากมันยาวเป็นกิโลเลยนะครับเป็นขนดเนี่ยเราไม่เห็นหรอกมันเตรียมความพร้อมอยู่ใต้ดินพอครบห้าปีนะครับเหมือนกับใบไปมันยึดจุดที่มันเป็นแหล่งอาหารได้หมดแล้วน้ำพอห้าปีมันก็สูบอาหารโฮกโขกโขกโตพรวดพรวดวันละสองุดครึ่งครับ เวลามันโตเต็มที่แล้วมันไม่สูงอีกนะครับมันจะขยายทางใหญ่ท่านดูดูดูกล้องมาสิครับเขาเรียกไผยยักษ์ครับลองทําเข้าหลามสักปล้องนี่นี่โอ้โหชันหมดไหมนี่ใครดูหนังจีนนะครับมันชอบไปฟันกันบนยอดไผ่โมโซ่ต้นยักษ์ครับไฟไผยยักษ์เนี่ยนักกําลังภายในเนี่ยเนี่ยคือไผ่โมโซ่ฉะนั้นท่าน มาเรียนที่นี่นะครับนึกถึงไผ่โมโซไว้อย่าไปรีบดีรีบดังเป็นเสือซุ่มไว้ก่อนแต่ไม่ต้องถึงกับห้าปีหรอกครับเอาไม่ให้มันจบสามเดือนก่อนค่อยไปแผลงสักดาเนาะมันก็จะได้เรียกว่ามีภูมิคุ้มกันประเด็นต่อไปครับเตรียมเรื่องครับหลักมีอยู่ว่าไม่เทศทุกเรื่องที่เรารู้ เทศเรื่องที่เขาควรรู้ดีที่สุดนะครับเขากําหนดเรื่องเทศมาญาติโยมจะนิมนต์เราจะให้เทศเรื่องอะไรบอกมาแล้วเราอย่าเทศทุกเรื่องที่เรารู้ก็หมายความว่าร้อนวิชาครับมาเรียนวัดประยูรแล้วโอ้โหได้เรื่องได้นิทานได้ตัวอย่างไปกลับไปเทศนี่อัดโยมแน่นเพียบเลยครับมึนเลยไม่ใช่สาริกาป้อนเหยื่อแล้วอย่างนั้น สาริกาป้อนเหยื่อมันจะต้อง ด, ดูปากลูกนกนะถ้าถ้าลูกนกมันโตหน่อยก็เหยื่อใหญ่หน่อยลูกนกมันเล็กก็เหยื่อเล็กลงอย่าไปยัดเยียดเรื่องที่เรารู้มันดีจริงแต่ว่าคนฟังเขาพื้นไม่ถึงท่านก็ให้มันลดระดับลงหน่อยให้มันง่ายลงหน่อยเขาควรจะรู้เรื่องอะไรอันนี้มันหลักง่ายๆของพระพุทธเจ้านะครับ พระพุทธเจ้าเทศธรรมะกำมือเดียวครับครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าเสร็จไปสเสด็จไปที่ป่าปะดูลายพร้อมกับภิกษุจำนวนมากแล้วภิกษุนั่งล้อมพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ากเทศเลยครับการเทศวันนั้นพระพุทธเจ้าหยิบใบไม้ขึ้นมากามือหนึ่งแล้วถามภิกษุทั้งหลายว่าใบไม้ในกามือของเรา กับใบไม้ในป่าอันไหนมากกว่ากันพิษุทก็กราบถูดว่าใบไม้ในกามือของพระองค์น้อยกว่าใบไม้ในป่ามากกว่าพระพุทธเจ้าก็สรุปว่าพิสุทธิ์ทั้งหลายข้อนี้ฉันใดใบไม้ในป่าน้อยกว่าใบไม้ในกำมือฉันใดความรู้ที่เราตถาคตตัสรู้เป็นสัพพันญ์ู ก็มากมายมหาสารประดุดดังไม้ในป่าทั้งป่าใบไม้ในป่าทั้งป่าแต่ที่เรานำมาสอนเธอทั้งหลายพุทธบริษัทสี่น้อยนิดประดุดดังใบไม้ในกำมือนี้เท่านั้นเราไม่ได้สอนทั้งหมดที่เรารู้เราสอนเฉพาะที่เป็นไปเพื่อเบื่อนายเพื่อใครกำนัดเพื่อดับทุก์เพื่อนิพพานเห็นไหมครับรู้มากแต่ว่าคนที่นี่ควรจะฟังเรื่องอะไรครับ ผมอาจจะรู้เรื่องอื่นย่แยๆหมดแต่ผมไม่พูดวันนี้ผมจะพูดเรื่องเทศย้ำอยู่ตรงนี้แหละท่านจะมาให้ผมพูดเรื่องหมูป่าสิบสามตัวผมก็ไม่พูดเออเห็นไหมมันผลงานท่านไม่ใช่ว่าโอ้ยอยากพูดเรื่องหมูป่าสิบสามตัวล่อไปเรื่องหมูป่าจนลืมเรื่องเทศอย่างนั้นแะไอ้นี่เทศในเรื่องที่เขาควรรู้หรืออยากรู้ครับไม่ใช่ว่าเมื่อไรเมื่อไรก็ น, นิทานนกแสงแสวเยนั่นแหละครับเรื่องเดิมจน จนเรื่องสิทธิ์ที่ขับรถรู้แหละท่านนิทานนี้ออกมาจบแน่นอนหลวงพ่อเตรียมสตาร์ทรถแล้วไม่ใช่นะครับพระพุทธเจ้าเนี่ยสี่สิบห้าปีเทศอยู่เรื่องเดียวครับดังที่ตรัสกับอนุราทะว่าอาดีตก็ดีปัจจุบันก็ดีเราสอนอยู่เรื่องทุกข์กับความดับทุกข์เท่านั้นทุกข์อริยสัจข้อที่หนึ่งสมุทัยเหตุแห่งทุกข์ความดับทุกข์คือนโรธและทางไปสู่ความดับทุกข์คือมรร สรุปแล้วพระเจ้าเทศเรื่องอริยสัจสี่เท่านั้นครับเพียงแต่ว่าคนนี้ฐันจะเทศเรื่องทุกข์ให้มากหน่อยคนนี้จะเน้นสมุทยัยคนนี้จะเน้นเรื่องมรคนนี้จะเน้นเนื้อนิโรธอย่างเทศสั้นที่สุดท่านเน้นเรื่องอะไรครับพาหิยะทารุจิริยะขอฟังเทศพระเจ้าพระเจ้าไม่กำลังบีบทบาพระเจ้าบอกงั้นเทศฟังสั้นๆนะพาหิยะ ทิฏฐิทิฏถมัตังภวิสติสุเตสุตตะมตตังภวิสติมุเตมุตตะมตังภวิสติวิญญาเตวิญญาตะมตตังภวิสติภาห i ย a เมื่อเห็นให้สักแต่ว่าเห็นได้ยินให้สักแต่ว่าได้ยินทราบให้สักแต่ว่าทราบรู้ให้สักแต่ว่ารู้ เมื่อใดเธอทำได้อย่างนี้เมื่อนั้นเธอก็จักไม่มีทั้งในโลกนี้และในโลกหน้าภายะฝังจบทันนี้บรร ล, ลุเป็นพระอราหารันตพระพุทธญา้าเทศอริยสัจข้อไหนครับมีทุกไหมครับไม่มีสมุทัยตัณหามีไหมไม่มีครับนิพพานมีไหมนิโรธไม่มีครับ มีใจเห็นให้สักแต่เห็นได้ยินให้สักแตวหินคือสติครับคือมรคครับเห็นไหมแต่ว่ามันเหมาะกับผู้ฟังไม่ต้องเทศยาวองคุคริมานไล่ไล่ฟันอมิมีไล่ฟันมาวิวิดเนี่ยพระยุดหน้อยยุดหน้อยให้ฟันให้ถนัดถนัดหน่อยท่านจะตั้งนโมไหมครับตอนนั้นผมว่าวิ่งแนบเลยนะแค่หันมาบอกว่าเราหยุดแล้วท่านจะยังไม่หยุดนี่กระบุญแล้วนะครับ ถ้าเป็นเรานะเพราะฉะนั้นในสถานการณ์ต่างๆเนี่ยมันควรจะพูดอะไรถ้าเขาธรรมการร ม, มือเดียวครับยักย้ายถ่ายเทไปตามผู้ฟังอริยสัจสีนั่นแหละครับการยักย้ายถ่ายเทไปตามผู้ฟังเนี่ยเหมือนก็คือเรื่องของสาริกาป้อนเหยือ่อ ปากลูกนกมันเล็กเราก็ทําเหยื่อให้เล็กปากลูกนกมันใหญ่เราก็ทําให้ใหญ่เราใครโตมาในยุคกล้วยบดไหมครับสมัยเป็นเด็กจําได้ไหมคงจําไม่ได้หล้วยังไม่ถึงขวบเราจะเห็นน้องๆเราเนี่ยนะแม่เขาจะเอากล้วยบดเนี่ยกล้วยน้ําว้าเนี่ยป้อนน้องแล้วก็โตมาแบบนั้นแหละครับสมองมันจึงได้แค่นี้ครับเออ เหมั น, ม, นมันจะไปสู้ไอเด็ยกินนมกินเนื้อนมไข่ได้งไงอะ่ะได้แค่นี้ก็ บ, บุญแล้วท่านเ อ, อ้ยเทศเอาตามสารวัดรดีแหละท่าน <c oughs> เป็นแล้วมันป้อนกล้วยเนี่ยนะไอเราไปป้อนไปเป็นเนี่ยโอ้โหทำคำใหญ่เลยนะเอาปากเราปากพี่เปโรมานเนี่ยอร่อยอร่อยกิน <c oughs> พอไปป้อนน้องน้องมันปากเล็กมันหกออกหมดแล้วเราก็ด่าน้องโง่ของดีๆไม่รู้จักกิน ไม่รู้ว่าคนป้อนโง่หรือคนกินโง่เราเตรียมไปอย่างดีเลยครับคนฟังไม่รู้เรื่องครับนั่งเออๆอย่างเงี้ยเราก็ไปบอกว่าโโง่เหมือนสีซอให้ควายฟังใครที่พูดอย่างนี้แสดงว่าสีซอไม่เป็นนะครับถ้าสีเป็นควายต้องฟังครับมีนักสีซอคนหนึ่งเป็นศิลปินแห่งชาติครับแกซ้อมสีซออยู่ริมคนา ไม่มีคนฟังเลยครับมีควายเล็มหญ้าอยู่แถวนั้นหนึ่งตัวแกก็นึกในใจนะเอ๊เขาว่าสีสอแล้วควายไม่ฟังจริงหรือเปล่าเราก็ศิลปินมือหนึ่งนะมันต้องฟังสิแกก็เลยสีเป็นเสียงเพลงเขมนไล่ควายครับมันก็ไม่ไปครับมันกินหญ้าชอยเขยิบเขบยิบเมาซี่มันก็ไม่มาครับเอจะเสียชื่อหรือมั้งแกก็เลยสีสีซอเป็นเสียง ยุ่งร้องงิ้งงิงควายมันก็ดิกหูแลวครับไล่ ย, ยุ่งครับมันปรับคลื่นแล้วครับสีเป็นเสียงสุนัข ก, กัดกันงองเงงงงเงงมันเบิ่งมองเลยนะกลัวลูกหลงครับเออมันรับได้แล้วนี่ป้อนให้เหมาะกับหูควายครับท่านอย่าไปคิดมากแล้วตอนหลังครับ สีเป็นเสียงยุงร้องงิง่งๆเอเสียงลูกแง่ร้องครับลูกควายร้องมันหยุดกินหญ้าเลยครับมันเบิงมายืนมองเลยครับตัวนี้นะครับนึกว่าเอาลูกมันมาซ่อนอยู่แถวนั้นครับเห็นไหมท่านสีให้เป็นเถอะควายฟังครับถ้าสีแล้วควายไม่ฟังต้องมาเรียนหลักสูตรที่วัดประยูนนี่แหละครับเขาเรียกหลักสูตรสีซอให้ควายฟังครับเพียงแต่ว่าควายอยู่ที่ไหนตอนนั้นแหละเออ ที่อื่นนะครับเราต้องเชื่อตามภาษิตอุทานธรรมครับถ้าพูดไปเขาไม่รู้อย่าคู่เขาว่างโง่เงา่างมเงอะเซอะนักหนาตัวของเราทำไหมไม่โกรธาว่าพูดจะให้เขาไม่เข้าใจนี่ประโยคหลักของสาริกาป้อนเหยื่อครับถ้าพูดแล้วเขาไม่รู้เรื่องแสดงว่าเราทา ทำคําเหยื่อมันใหญ่ไปครับก็อย่าไปโกรธว่าคนฟังโง่ครับอย่างที่ผมคุยครั้งที่แล้วผมเทศวันพระนี้มีทั้งคนแก่คนเท่าทั้งเด็กป .2 ป .3 ฟังได้หมดครับทําให้มันเหมาะกับผู้ฟังครับตัวของเราต้องโกรธตัวเองนะครับถ้าล้มเหลวเนี่ยอย่าไปโกรธคนฟังว่าทําไมเนี่ยเราถึงพูดให้คนไม่เข้าใจต้องไปเรียนใหม่นี่วิเคราะห์ตัวเองนะครับเห็นไหม ทีนี้ในในกรณีสาริกาป้อนเหยื่อมันจึงใช้ได้ทุกสถานการณ์มันก็คือหลักการเดียวกันกับที่พระเจ้าเทศเรื่องอริยสัจสี่ธรรมกรรมมือเดียวนั่นเองเอามาจากพระเจ้าครับนี่คือประเด็นที่ผมจะฝากหลักการเอาไว้ต่อไปครับวัดประยูนที่ลีลาสาริกาป้อนเหยื่อซึ่งมาจากหลักการ ป่าประดูรลยเนี่ยนะครับธรรมะกรเ ม, มือเดียวเนี่ยจึงเป็นสำนักนักเทศมาตั้งแต่สมัยราชการที่สามที่สี่ที่ห้าจนสมัยราชการที่ห้าเขามีคำค้องจองอย่างนี้ครับอยากเป็นนักเทศให้อยู่วัดประยูนอยากเป็นเจ้าคุณให้อยู่วัดมห า, าธาตุอยากเป็นนักปราดให้อยู่วัดสามพยาอยากเป็นมหาให้อยู่วัดเบญจมบพิตร ในสามวัดที่ว่าเนี่ยนะครับข้างล่างเนี่ยเดี๋ยวนี้มันครองแชมป์ไม่ได้ครับได้เฉพาะแถวแรกครับอยากเป็นนักเทศต้องมาวัดประยูนครับว่ากันว่าที่นี่ใครมาอยู่นี่เทศได้หมดครับเน้นก็เทศได้ยกเว้นแต่เสาไฟฟ้าไม่เทศมันมีวิญญาณ น, นักเทศเข้าสิงครับแต่อยากเป็นเจ้าคุณไปวัดไหนดีครับ วัดมหาธานเลยไปได้แล้วครับรอคิวอยู่ครับเออไปวัดโบวรอดีกว่ามนะัอยากเป็นนักปราดกสัมภยาไหวไหยครับหาเจ้าวาดยังไม่เจอเลย <laughs> อยากเป็นมหาให้อยู่วัดเบนครับไม่ไปละโน่นวัดส้อยทองวัดโบลีเนี่ยเห็นไหมรักษาแชมป์ไม่ได้ครับแต่ถ้าเป็นนักเทศมาที่นี่ดินที่นี่แปลกมากครับ เดินเฉียดเข้ามานี่เทศได้เลยครับออกไปแล้วอาจจะเทศไม่ได้ทีนี้สรุปหลักการเทศครับเมื่อกี้ผมอารัมพบทมาเป็นหลักการกว้างๆตอนนี้แคบเข้ามาเรื่อยๆครับผมจะพูดกว้างก่อนนะครับแล้วแคบเข้ามาแคบเข้ามาหลักการเทศครับพระพู้เทอเจ้าสอนพระอรหันต์หกสิบองค์ที่ทรงส่งไป ประกาศพระศาสนาหลังภาษาแรกว่าทเทเสธธรรมมังอาทิกรยานังมะเชกไรยานังประโยชน์สาระยานังว่าเธอจงไปทางเดียวกันอย่าไปทางเดียวกันสองรูปะพระหรันหกสิบองค์ะจริญฐะพิคเวจาริ ก, กังผู้ชนะฮิตายะผู้ชนะสุขายะโร ก, กาณุกัปไยะพิสุททั้งหลายเธอจงเที่ยวจาริกไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเกศคนมากเพื่อนอกอนุเคราะห์เกศชาวโลกเนี่ยอันนี้เรื่องเดียวกันแล้วพระเจ้าก็บอกว่า จงแสดงทำอันงามในเบื้องต้นงามใน่ามกลางงามในที่สุดสังเกตไหมครับมันจะมีสามส่วนอาทิกลยานังงามในเบื้องต้นมัชเชกลยานังงามในท่ามกลางและปรโยสานกลยานังงามในที่สุดคำว่างามนี่เราแปลจนติดปากครับแต่จริงๆไม่มีใครชมเราเทศว่างามหรอกครับโอ้ท่านเทศได้งามเหลือเกินนี่งามอะไรโยม งามหน้าปะเขาไม่ใช้งามนะครับเวลานักปราชญ์ท่านฟังผมเทศเนี่ยเขาชมว่าท่านเทศได้ไพเราะครับภาษาบาลีว่ากัลยาณะเนี่ยต้องแปลจริงๆว่าไพเราะครับเสียงไพเราะครับไม่ใช่เสียงงามมันเป็นลากสับจักรูลอินโดยุโรเปียนครับมีพัทธ์ตัดใจเหมือนภาษาอังกฤษครับเวลาเราบอกว่า ร้องเพลงไพเราะเสียงไพเราะเนี่ยเขาใช้คำว่า beautiful song ครับไม่ได้ไปแปลว่าเพลงงามนะครับต้องแปลว่าเพลงไพเราะงามในเบื้องต้นก็คือไพเราะในเบื้องต้นไพเราะในท่ามกลางไพเราะในที่สุดตอนจบถามว่าเราจะเทศให้ได้ไพเราะในสามส่วนได้อย่างไรไปถึงวิธีการแล้วครับ ที่ว่างามในเบื้องต้นในท่ามกลางในที่สุดเนี่ยนั่นก็คือครับงามในเบื้องต้นด้วยอุเทศงามในท่ามกลางด้วยนิเทศงามในที่สุดหรือไพเราะในที่สุดก็แล้วกันครับด้วยปฏินิเทศสามท่อนนะครับซึ่งเทียบกับนักพูดทั่วไปครับเขาบอกว่า อุเทศเทียบกับนักพูดทั่วไปก็คือตต่อต่ อ, ต, อต้นตื่นเต้นเริ่มต้นให้ตื่นเต้นเปิดฉากให้ตื่นเต้นนิเทศกอกอกอกลางกลมกลืนผสมผสานกลมกลืนและปฏินิเทศตอนจบจอจอจอจบจับใจครับ ท่านทำอย่างไรถึงจะเปิดตัวตั้งต้นให้ตื่นเต้นนิเทศให้กลางให้กลมกลืนและจบให้จับใจครับนี่แหละคือวิธีการที่พูดมานี่หลักการจบไปแล้วนะครับต่อไปนี้เป็นวิธีการทำอย่างไรซึ่งทำอย่างไรเนี่ย ผมก็จะค่อยๆพูดไปเรื่อยๆต้นตื่นเต้นก่อนคำว่าไพเราะในเบื้องต้นอุเทศเนี่ยอุเทศแปลว่ายกหัวข้อขึ้นแสดงนิเทศอธิบายแปลว่าอธิบายขยายความผมจะไปเร็วหน่อยนะครับเพราะมันมีเรื่องจะพูดเยอะอยู่ในรายละเอียด ปฏินิเทศสรุปจบประทับใจจอจอเนี่ยเอาสามส่วนครับต้นตื่นเต้นกลางกลมกลืนจบจับใจเนี่ยก็คืออุทเทศนิเทศปฏินิเท ศ, เทศถามว่าจะทำอย่างไรครับขั้นแรกก่อนครับผมเคยได้รับนิมนต์ไปเทศงานสมเด็จย่าที่พระที่นั่งดุสิตมหาประศาส เจ้าหน้าที่วังมาบอกว่าในหลวงจะฝังเทศในงานสเร็จยากเวลาท่านเทศนะให้เสียงดังฟังชัดหน่อยเอา้าทำไมละ่ะผมก็ถามไม่มีไมโครโฟนเหรอมีแล้วมันเป็นยังไงต้องเสียงดังฟังชัดคืออย่างนี้ท่านพระเนี่ยไม่รู้เป็นยังไงเวลาเทศที่อื่นเนี่ยเสียงดังดี แต่พอเทหน้าพระที่นั่งเสียงแบไม่รู้เสียงหายไปไหนครับกลัวบรารมีในหลวงผมเร่งจนสุดวอลลุ่มก็ยังไม่ดังท่านเทศดังๆเลยนะได้ได้ไ ด, ได้ผมก็ว่างันพอเข้าไปในพระที่นั่งดูสิโอ้โหเสียงมันน่าหายจริงๆอนะท่านเอ้ย ในหลวงเราขึ้นธรรมาสูสงก็จริงแต่ห่างยังในหลวงสองวาเองรัชการที่เก้าทางโน้นนี่นายกครับนั่งนา้าเครียดเลยครับผลเอกเปรมครับตอนนั้นแล้วองค์มนตรีใครต่อใครนี่เราจะไปรอดหรือนี่ใจเต้น ต, ตึกตึกึกตึกเสร็จแล้วผมก็เทศครับเทศลงมาเจ้าหน้าที่หวังบอก เยี่ยมใช่ได้ผมอัดเทปไปด้วยทำไมล่ะท่านตั้งนโมดีเหลือเกินลูกคอร่วนอย่างกะมนสิทธ์เลยผมเอาเทปมาเปิดฟังมันเสียงสันน่นท่านเสียงเราสัน่นโอ้หาว่าลูกคอเราอะแต่พยายามให้เสียงมันออกมาเขาก็บ่า จะได้ฝั่งรู้เรื่องตรงนี้แหละครับไอ้ตอนตั้งนโมนี่แหละมันเป็นจุดสําคัญมากในการเทศเราอย่านึกว่าไม่สําคัญนโมคือไหวครูครับแต่ในการเทศจริงเนี่ยมันมี น, นโมสองส่วนส่วนที่หนึ่งขาเรียกนโมสามชั้นอันนั้นมันเป็นนโมให้ศีลส่วนที่สองคือนโมเทศ นโมหชั้นครับที่ผมหมายถึงว่าสำคัญมากคือนโมห้าชั้นนโมให้ศีลสามชั้นนี่ท่านไม่ต้องไปแสดงอิทธิฤทธิ์อะไรเขาก็เหมือนให้ศีลธรรมดาเสียงเบามัาง่งอะไรบ้างก็มีใครว่าเพราะเขาตั้งโยมเขาตั้งนโมก็ได้อยู่แล้วสามชั้นคือสามจบครับนโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธสะ นโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะหยุดหายใจสาครั้งก็เลยนโมสามชั้นโยมก็จะว่าตามเราอันนี้จบไปนะครับไม่มีอะไรพิเศษแต่ตอนเทศสิครับต้นตื่นเต้นเนี่ยคือตั้งนโมครับนโมห้าชั้นครับ ครูบาอาจารย์ในสมัยก่อนเนี่ยเขาใช้นโมนี่แหละครับเป็นการไหว้ครูเหมือนกับอัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายรวมพลังมาโดนบรรดาลให้เราเทศดีเพราะฉะนั้นนโมนี่โอ้โหเขาถือเป็นเรื่องพิเศษมากครับเสียงดังกังวานครับพระครูโวทานธรรมอาจารย์วัดดาวดึงนะครับสมัยก่อนเนี่ยไม่มีไมโครโฟนนะครับเวลาเทศเนี่ยนะครับ ตั้งนโมนะคนที่รุ่นที่ทันเห็นเนี่ยรุ่นอายุเจ็ดบปิที่ฟังพระครูโวเนี่ยมาเล่าให้ฟังว่าโอ้โหเวลาท่านพระครูโวตั้งนโมเนี่ยนะครับเสียงกัดหูจริงๆนะคนตําห ม, มากนี้หยุดตําห ม, มากเลยนะรู้แล้วว่าพระจะเทสหยุดเลยเสียมันกัดหูตั้งนโมงท่านนะขนาดหมานอนหลับอยู่ได้สามารถยังลุกสะบัดหูหนีไปเลยครับต้องคิดดูสิ ผมถือจุดนี้นะครับเวลาผมเปนเทศเทศในวังนะวังไกลกังวลถวายในหลวงราชการที่เก่าวันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าวันสิบสองสิงหานี่แหละพระสังฆราชสมเด็จพระญาณสังวรเป็นประธานสวดผมนั่งอยู่ท้ายแถวแต่ขอให้ขึ้นเทศท่าน ในหลวงพระราชนีนั่งประทับฝั่งสมเด็จพระบรมตอนนั้นนะครับพระเทพ ฟ, ฟัหมดโอ้โหท่านกดดันมากๆเลยครับผมขึ้นธรรมารเทศมันสูงผิดปกตินั้นธรรมะวันนั้นน่ะจะปีนขึ้นไปยังไงล่ะนี่และไอสาราสาลาที่เราเทศเนี่ยมันเป็นโล่งๆนะมีหลังคามองไปเห็นทะเลครับทะเลหยหิ น, น, น ผมก็ขึ้นไปเทศจุดที่ผมรู้ว่าประสงค์ในตอนไหนรู้ไหมตอนผมตั้งนาโมท่านเพราะตั้งนาโมเนี่ยทุกคนต้องฟังเหมือนกับเปิดตัวครับเพราะนาโมผมนาโมห้าชั้นครับเดี๋ยวใ ห, ให้ท่านดูครับห้าชั้นนาโมห้าชั้นขยุดห้าครั้งนาโมมันจะมีเสียงอาถรรพ์มากครับ ผมไม่ได้นโ at <simple> <Question> มงงอแงนะครับนาโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพ <deuxième cess imas> ุทธสนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมา สัมพุทธะนะโมตสัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสมมาสัมพุทธะต่างจากให้ศีลเลยครับคนมองผมเลยนะครับเตรียมฟังแล้วผมรู้เลยอย่างนี้เหมือนของขึ้นเหรอครับตั้งนะโมดีเนี่ยนะครับโอ้ท่านอย่าไปดูถูกนะโมนะตั้งนะโมให้เป็นนะมาฝึกที่นี่แหละห้ชั้นนะอย่าไปสามชั้นงงเ ง, งงนะต้องฝึกตั้งนะโม พอผมเทศวันนั้นจบนะครับลงมาจากธรร ม, มาสต์เจ้าหน้าที่ผู้ใหญ่ในวังเข้ามาแสดงความยินดีครับบอกผมลระเป็นห่วงท่านเป็นแฟนขับฟังท่านมาครั้งนี้ผมห่วงท่านมากเพราะว่าสมเด็จพระสังฆราชก็ประทับในหลวงและทุกเจ้านายทุกองสเสด็จมาหมดเลยมันกดดันมากๆเลยนะผมละกลัวท่านจะพุ่งหลาวลงทะเลไปลูกุล แล้วเมื่อสองสามวันนี้นะท่านนะนายทหารเป็นพลโทรครับอยู่ที่นี่แหละรับเสด็จในหลวงในหลวงเสด็จแปลพระชถานมาหูหินทีนี้พอในหลวงเสด็จมาเนี่ยนายพลคนนี้ก็จะต้องไปต้อนรับแล้วก็รายงานตัวว่าขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าพลโทและบอกชื่อไป แล้วก็บอกว่าราชองคารักเวนเพื่แค่นี้ครับแต่ความที่แกประมาครับแกก็พูดว่าขอเดชะข้าพรุทธเจ้าพลโทนั่นนี่ราชโอรสเวนในหลวงก็ฟังยิ้มยิ้มครับเออมีลูกอีกคนหนึ่งครับลือกันทั้งวังเลยครับมีราชโอรสองค์ใหม่แล้วเนี่ยแค่นี้ครับยังประมาเลยครับ ตั้งนโมนะครับมันจะคุมสติเราให้อยู่อ้าวฝึกตั้งนโมห้าชั้นนะครับให้ท่านสังเกตอย่างหนึ่งนะแต่ว่าผมจะไม่สอนท่านนะเพราะผมจะไปเร็วแต่ว่าท่านจะต้องเรียนทุกครั้งตรงที่ท่านจะต้องใส่ใจคือคําว่าสกนโมเนี่ยต้องให้เชื่อมกันครับฟังผมนะนโมตัสะภควะโตอรหะโตสัมมา สัมพุทธสนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะเห็นไหมห้าชั้นที่ยากก็คือตรงที่สัมมาสัมพุทธเซอะนะครับเซอะเบาๆหน่อยสัมพุทธสนะโมตัสสะเห็นไหมมันจะสัมพั์ สัมผัสกัน อ, อันนี้ใครทําได้เขาเรียกว่าเทศเป็นครับฝึกสักหน่อยครับพร้อมกันนะครับนโมหชั 1, 2, นหนึ่งสองสามนะโมตัสสะภะคะวะโตอราระหะโตสัมมาสัมพุท ธ, ธัาสสะภะคะวะโตอราระหะโตสัมมาสัมพุท ธ, ธัสสะ นาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะฝึกอีกทีนะครับหนึ่งสองสาม นี่เหมือนกับไหวครูนะครับเราต้องฝึกให้ชำนาญพอเสร็จแล้วนะครับพอนโมเสร็จท่านต้องเดินบาลีนิกเขประบทบาลีนิกเขปประบทนี่เป็นภาษาบาลีเช่นอัตตาฮิอัตโนนาโถหรืออะไรก็แล้วแต่ท่านต้องเตรียมไปต่อด้วยภาษาบาลีทันทีอย่าให้อย่าหยุดวักนานสมมติเมื่อเช้าเรื่องจริงนะครับผมเทศเรื่องพระหุปการกรถาครับ ผมก็ค้นบาลีไว้นี่ครับยาวหน่อยท่านอันนี้เป็นซึ่งซึ่งผมต้องจำให้ได้ท่องไปแล้วก็เดินภาษาบาลีทันทีเทศจริงๆเมื่อเช้าท่านไปขอ VCD หรือ MP3 จากท่านอาทิตย์ได้โอ้ในเว็บของวัตประยุนก็ลงแล้วนะฮะท่านไปดูในเว็บนะที่ผมไฟเสียงขึ้นไปแล้วอันนี้ผมค้นมาจากพระไตรปิฎกเมื่อวาน มาจากพระใจเบลกเยี่ยมที่ย1ิบ็ดนะครับข้อที่63สิบสาหน้า6ก1้าบเภาษาบาลีพระหุการาพิเกเวมาตาบิตโรปุปตตานางอาปาทากาโปสกาอิมั ส, สโลกาัสทัเสตาโรติเวลาที่เราเดินคาถา ภ, าภาษาบาลีท่านต้องว่าช้าๆนะครับพอนะโมตสัมมาสัมพุทธสัะพระหุการาพิเกเว มาตาปิตโรปุตตางอาปาถกาโปสกาอิมัสโลกัสัถัดเสตาโรติอิอิ อ, อสลอิเนี่ยนะครับเขาจะสอนท่านเองนะครับผมไม่มีเวลาสอนเรื่องพวกนี้ท่านต้องเอื้อนนิดหนึ่งนั้นมีลูกคอหน่อยแต่อย่าให้ยาวมากครับเอาว่าและก็ไม่ใช่สั้นนะครับถ้า เซตาโรติเจ้าแล้วเหรอ <c oughs> แล้วก็ไม่ใช่ทัศเซตาโรติมันมากไปเอาให้พอดีนะครับทีนี้ผมผมจะบอกเบื้องหลังการถ่ายทานะครับผมเทศวันธรรมมนะัสวันอุโบสถสิบห้าขขึ้นแลมทุกวันพระในวัดประยูนเนี่ยถ้าแปดขัมผมให้ ลูกวัดเทศเพราะฉะนั้นในรอบปีเนี่ยผมจะเทศไม่ซ้ากันเพราะว่าจะบันทึกเทปเผยแพร่ไปด้วยอย่างที่ผมบอกแล้วผมเทศแต่ละครั้งเนี่ยจะมีคนเข้าเขาเรียกว่าถ่ายทอดสดนะคนเป็นพันๆเนี่ยนะครับตามฟังผมอเมริกาก็ฟังลูกศิษย์ผมอยู่อเมริกาเป็นพระวันประยูนพระวัดไหนก็ตามเขาจะฟังนะมันจะผ่านถ่ายทอดสดเฟบุบ้างอะไรบ้างไลน์ลบ้าง ฉะนั้นเรื่องต้องไม่ซ้ํากันผมก็จะไปเปิดดูไอ้ผมจะเทศเรื่องไรดีวันที่สิบสองสิงหาคือวันพรุ่งนี้ต้องเอาเรื่องที่เข้ากับเหตุการณ์สิบสองสิงหาคือวันแม่พรุ่งนี้วันแม่แห่งชาติถ้าพูดเรื่องแม่ก็ต้องเรื่องกาตันยูปรากฏเรื่องกาตันยูกตาเวทีเนะี่ยผมเทศไปแล้วมีอยู่ในเทพแล้วอา้าวงั้นผมจะเทศเรื่อง สัตบริสภูมิผมก็เทศไปแล้วอยู่ในเทศผมแล้วผมก็ต้องไปหาเรื่องใหม่ท่านก็ไปเจอบาลีนี้ครับผมก็ตั้งชื่อกาถาว่าพระหุปการากถาภาษาบาลีใช้คำว่าพระหุการาแต่ในอัตถกาถาขยายเป็นพระหูปการาแปลว่ามีอุปการะมาก ผมก็เอาเป็นพระหูปการาแต่ว่ามันเข้ากับริ้นไทยผมก็เป็นพระหูปการาเพราะเราชินกับพระหูปการาพระหุปการกรกถาเห็นไหมมันไม่ซ้ำแหละและประเด็นที่ผมจะเทศมันก็จะต้องแตกต่างจากที่เคยเทศลองมาดูไหมครับว่าผมเทศเรื่องพระหุการกรกถาวันแม่เนี่ยผมเตรียมอย่างไรเป็นสาริกาป้อนเหยื่อยอย่างไรมีขั้นตอนมีศาสตร์มีศิลปะอย่างไร ท่านฟังผมนะครับกลับไปวัดไปเปิดเว็บวัดประยูนตรงข่าวข่าวเด่นข่าวแรกเนี่ยมันจะมีรูปลําโพงอยู่ว่าผมเทศเรื่องพระหู ป, ประกาศรักถาท่านกดตรงรูปลำโพงไปเรื่อยๆมันจะมีไฟล์เสียงแล้วท่านก็จะมาดูว่าไอ้ที่ผมเล่าวันเนี้ยว่าผมเตรียมอย่างเงี้ยเวลาผมเทศจริงผมเทศยังไงนะครับอะมีการบ้านให้ท่านด้วยนะเอาสมมุติว่าอันนี้เนี่ยนะผม ผมไม่ได้หมายความว่าพวกท่านจะต้องเอาบาลียาวอย่างนี้นะครับอันนี้หมายถึงว่าชั่วโมงบินมั น, มนสูงผมก็เอาเรื่องพระตไตรปโดกอย่างนี้ผมจำได้พระภู ก, การาภิกขเขวะมาตาปิตโรปุตตานังนะอภูสกอาปาทกาปสก า, า, ก า, สกาอิมสลาโลกาสาัสทัสีตาโรเนี่ยอันนี้ผมจำได้แต่ถ้าท่านเทศเอาบาลีสั้นๆอาต้ายิทโนนะท้ออะไรก็ว่า ก, กันไปอันนี้ท่านต้องดูระดับของท่าน ผมจะพูดถึงเบื้องหลังนะครับเสร็จแล้วไม่ว่าท่านเดินคาถาภาษาบาลีว่าอะไรก็ตามท่านจะต้องท่องข้อความต่อไปนี้เขาเรียกอารัมพกคถามันอยู่ในอุเทศก็คือสมมติว่าตั้งนโมครับนะโมตสสะห้าชั้นแล้วอัตตาหิอัตโนนาทโธติณนะบัตนีอาตมภาพ จักรับประทานแสดงพระธรรมเทศนาในอัตนาถกถาว่าด้วยการพึ่งตนเพื่อเป็นเครื่องประคับประคองฉลองศรัทธาประดับปัญญาบา ร, รมีเพิ่มกุศลบุญยญาศีของท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายผู้มาประชุมพร้อมกันณวัดปยุรวงสาวาสวรรวิหารแห่งนี้ เนื่องในวันนี้เป็นวันพระใหญ่วันธรรมวสวนะตามสมควรแก่เวลาซื้ไปที่ผมบอกว่าเวลาเราเริ่มอารามพระคาถานี่เสียงต้องช้าชัดและเป็นระดับเดียวกันสักระยะหนึ่งพอจากนั้นไปท่านก็พูดได้เร็วเป็นปกติเขาเรียกนิเทศครับตอนอุเทศเนี่ย ตั้งแต่ตั้งนโมต้องช้าชัดแล้วอารัมพระกถาก็ต้องช้าชัดพอจบจากนี้ไปท่านก็พูดปกติได้เหมือนรถไฟออกจากสถานีครับหัวรถจักรมันจะลากตัวรถไฟเนี่ยนะครับขบวนเนี่ยช้าหน่อยพอพ้นสถานีมันจะเร่งเครื่องครับคำพูดนักเทศก็จะเร็วขึ้นแล้วไปช้าตอนไหนครับตอนจะเข้าสถานี ตอนให้พเรเนี่ยก็ต้องช้าลงช้าลงจนกระทั่งจอดสนิทที่ปลายถางฉะนั้นหลักในการเทศก็คือขึ้นต้นช้าครับตรงกลางปกติของท่านตอนจบช้าเหมือนเดิมอันนี้จำไว้นะครับอทีนี้ท่านมาฝึกนิดหนึ่งเดี๋ยววิทยาการวิทยาการอนึงเขาจะสอนท่านผมให้ท่านดูก่อนนะณนะบัดนี้ โสมนัโวหารในการเทศไม่ใช้อัตมานะครับใช้อัตมะภาพและไม่ใช่อัตมาภาพตกทันทีนะครับถ้าอาัตมาก็ผิดอัตมาภาพก็ผิดต้องอัตมะภาพแล้วจักรับประธานไม่ใช่กินนะครับคือขอโอกาสครับถ้าเทศในวังเขาเรียกรับพระราชทานถวายวิสัชนาพระธรรมเทศนา ถ้าพูดกับชาวบ้านเขาเรียกขอประทานโอกาสนั่นแหละเราก็รับประทานแสดงพระธรรมเทศนาในพระหุปการะคถาว่าด้วยผู้มีอุปการะขุณมากเพื่อเป็นเครื่องประคับประคองฉลองศรัทธาประดับปัญญาบารมีเพิ่มกุศลบุญญาสีของท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย ท่านสังเกตที่ดีนะครับมันจะสัมผัสคล้องจองกันครับท่านจึงต้องท่องครับณบัดนี้อาตมภาพจักรับรประธานแสดงพระธรรมเทศนาสระอาตัวนี้ครับสัมผัสกับคำว่ากระถาอันนี้เขาเรียกว่าไรา้ครับร้เป็นบทประพันธ์ที่แต่งง่ายที่สุดไม่บังคับว่ากี่คำแต่ว่าคำท้ายๆกับคำต่อไปจะสัมผัสกัน เขาเรียกว่าไร้ครับเทธที่เป็นชั้นครูก็คือไร้ครับสัมผัสคล้องจองอย่างมหาชาติคำหลวงเนี่ยเขาจะสัมผัสกันทั้งทั้งกันเลยครับเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ดูสุดยอดของการเทธธรรมวัดเนี่ยจะต้องสัมผัสนอกสัมผัสในแต่ว่าในทางปฏิบัติทาไม่ได้เราก็ให้สัมผัสนอกสัมผัสในเฉพาะตอนต้นและตอนจบ ตอนกลางตามอัคยาัยณบัดนี้แล้วเวลาท่านออกเสียงเนี่ยจะต้องให้เสียงมันสัมผัสกันคือหยุดเพื่อให้คนรู้ว่าคำที่หยุดเนี่ยมันจะไปคล้องจองกับคำต่อไปถ้าท่านวักไม่เป็นไม่น่าฟังเลยครับยกตัวอย่างไม่น่าฟังนะครับณบัดนี้อาตมาภาพจักรับประธานแสดงพระธรรมเทศนาในเอ่อก พระหูประการะถาเพื่อเป็นเครื่องประคับประคองฉลองศรัท ธ, ธาอะไรทำนองนี้นะครับ เ, เพื่อเป็นเครื่องประคับประคองฉลองศรัท ธ, ธาประดับไปจุดไปอยู่ตรงนี้ใช่ไหมปัญญาบา ร, รมีเพิ่มกุศลบุญยราศีของท่านพุ้สนิกนชนทั้งหลายผู้มาประชุม กันณะที่นี้ตามสมควรแก่เวลาสืบต่อไปอย่างนี้ไม่น่าฟังครับเวลาท่านอ่านก็ได้ครับต้องให้มันคล้องจองสัมผัสกันณนะบัตรนี้อาจตำมภาพจากรับประธทานแสดงพระธรรมเทศนาในพระหูปการะกาถาว่าด้วยผู้มีอุปการะคุณมากเพื่อเป็นเครื่องประคับประคองฉลองศรัทธา ระดับปัญญาบารมีเพิ่มกุศลบุญาราศีของท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายผู้ตั้งใจมาประชุมกันฟังพระธรรมเทศนาในณอาวาสวรวิหารแห่งนี้ตามสมควรแก่เวลาสืบต่อไปสังเกตไหมครับเพื่อเป็นเครื่องประคับประคองฉลองสัทธาสลาเนี่ยมันจะสัมผัสกับปัญญาบารมี เราก็เน้นหน่อยให้คนฟังรู้ว่าเรากําลังสัมผัสแล้วบารมีเนี่ยมันสัมผัสกับราสีท่านถ้าท่านไม่มีจังหวะจะโคนให้คนรู้ว่ามันสัมผัสเนี่ยมันจะไม่เพรลอครับณนะบัดนี้อาตมภาพจะครัประธานแสดงพระธรรมเทศนาในปัณฑิตะกะถาว่าด้วยบัณฑิตเพื่อเป็นเครื่องประคับประคองฉลองศรัทธา ระดับปัญญาบารมีเพิ่มกุศลบุญญราศีส่วนทักษิณานุประทานอันนี้งานศพนะครับในวงเล็บเนี่ยแล้วก็มีคําว่าการอีกมาสัมผัสกันส่วนทักษิณานุประทานเนื่องในการบําเพ็ญกุศลสวดอภิธรรมศพอุทิศถวายพระเดศพระคุณผู้วายชนเอถาวายกับวายมันจะสัมผัสกันของท่านพุทธศาสนิกชนชาววัด การ้องทั้งหลายผู้มาประชุมกันคับข้างนักที่นี้ตามสมควรแก่เวลาสืบต่อไปเห็นไหมอ้าวท่านลองนะครับตั้งนโมใหม่ครับแล้วเอาบาลีที่ที่ผมเตรียมไว้เลยครับพระหูกาลานี่นะครับทดลองดูเริ่มนะครับ เดี๋ยวให้ผมเอาน้ำโม5ห้าชัน้นนโมชั้นก่อน1 2 3ตัสงัน้ำโม5ห้าชั้นเลยครับหนึ่งสองสน้ำโมตัดสา ต่อเลยครับพระหุการากและต่อเลยครับนกบัตรนี้ พระหูปการกถาว่าด้วยผู้มีอุปการะคุณมากของ อันนี้คืออุเทศครับชา้าชัดจังหวะจะโคนสัมผัสนะและจะไพเราะเวลาเราพูดเนี่ยเราพูดให้สัมผัสเนี่ยมันจะไพเราะ อ, าอย่างลงเจ้าคุณสมเด็จพระมหาธีราจา n วัชนะท่านบอกว่าท่านมาฟังพระวัดประยูนเทศจะคุณราชเ ว, เวทีพรเวลาเทศเนี่ยไพเราะมากเพราะว่าสัมผัสกันท่านบอกว่าท่านจำได้คำหนึ่งท่านบอกว่า เจ้าคุณเวราชเวทีพรเทศว่าแควนกาสีและเกาสนทั้งสองตำบล น, นี้ได้รวมกันเป็นปทภีแผ่นทองเดียวกันท่านพูดท่านไปเรื่อยอย่างเงี้ยมันไเระครับเอาทีนี้ก่อนที่จะไปต่อนิเทศนะครับมันก็จะทำการบ้าน ข้อมูลแรกก็คือว่าเราจะเชื่อมเข้าสู่งานพระหุการาเนี่ยพระหุปการะเรื่องกตัญญูเนี่ยนะวันแม่แห่งชาติเกิดขึ้นเมื่อไรผมก็ไปค้นนะในวันนี้เรามาเทศในวันพระซึ่งตรงกับก่อนวัน12สิงหามหาราชินีวันแม่แห่งชาติซึ่งถือปฏิบัติกันมาตั้งแต่พุทธศักราชสองพัน 519โดยสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยพร้อมกับทางราชาการได้กำหนดวันที่12สิงหาคมเป็นวันแม่แห่งชาติโดยปาร์บวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในราัชากาลที่9เป็นสำคัญและเมื่อถึงวันเช่นนี้ก็จะเป็นโอกาส ผู้เป็นลูกๆเป็นบุตรเป็นธิดาทั้งหลายจะได้ทำการปติกระตอบแทนคุณของผู้เป็นมารดามารดาเป็นผู้มีพระคุณมากควรที่จะต้องลำลึกนึกถึงตลอดไปสมมตินะครับเชื่อมและมันจะก็เข้าว่ามีพระคุณมากางไงพระหู ก, การามันก็จะมามีประกาะคุณมากทีนี้ก่อนที่จะไปเรื่องนั้นมันมีหลักครับทีนี้ผมจะเอาหลักเข้ามาแทรกละ ในการเทศเนี่ยท่านต้องพยายามทำนิเทศนะรครับขยายความเนี่ยให้ได้สี่สอครับสี่สอก็คือสอที่หนึ่งอธิบายให้แจ่มแจ้งเขาเรียกสัรทัศนาสอที่สองพูดให้จุงใจให้เกิดศรัทธาสมาธ ป, ปนาสอที่สามค้นฟังแก้วกล้าอาจหารสมุเตเจชนาะ และสอที่สี่ฟังแล้วไม่เบื่อมีความไพเราะเรียกว่าสัมปะหังสนาร่าเริงครับท่านจะเอาตรงไหนก็ได้จะเทศให้เจ็มแจ้งหรือจะทำให้เกิดจงใจให้เขาอยากเป็นเด็กยอดกตัญญูหรือทำได้ทันทีนะกะตัญญูก็คือทำอะไรบ้างเนี่ยเราจะปฏิบัติได้เลยเป็นสมุติตชนาะหรือมีเรื่องที่ชวนให้เกิด ความสนุกขบขันบันเทิงไปพร้อมๆกันเขาเรียกว่าสี่สอรครับที่วัดประยูนนี้เราจะประเมินท่านว่าใครเทศดีไม่ดีประสบความสำเร็จเนี่ยดูทั้งสี่สอรครับหนึ่งพูดให้เข้าใจง่ายไหมสันทัศนาเข้าใจง่ายยังไงครับเวลาพระพุทธเจ้าเทศเนี่ยนะครับคนฟังเขาจะสรุปว่า อภิกันตังโพโคตมะอภิกันตังโพโคตมะจมแจ้งนักพระโพดมผู้จเจริญแจมแจ้งนักพระโคดมผู้เจริญฟังพระองค์เทศแล้วเหมือนกับหงายของที่ควม่มจุดประทีปในที่มืดบอกทางแก่คนหลงทาง <workshops> เคยไหมครับใครชมเราอย่างนี้มีแต่บา่าเกือบจะเข้าใจแล้วไฟดับไปฉิบเนะ ที่ทนเทศเน่ยไม่รู้อะไร เ, เทศให้คนเข้าใจแจ่มแจ้งเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายนี่ได้ได้สรรทศนาแล้วครับหลักของการเทศให้แจ่มแจ้งมีอยู่ข้อหนึ่งครับท่านจดไว้เลยครับอย่าเทศเรื่องที่เราไม่เข้าใจเป็นเด็ดขาดอย่าท่องสักแต่ว่าท่องไปพูด เรื่องที่เราไม่เข้าใจและเราไปเทศน์นั่นแหละคนฟังจะไม่รู้เรื่องครับทำไมเรื่องยากๆนี่หลวงพ่อหลวงปู่ท่านพูดแล้วมันเข้าใจง่ายเพราะท่านพูดมาจากประสบการณ์เช่นหลวงปู่ที่สอนกรรมฐานเนี่ยเช่นถามท่านว่านิมิตที่เห็นเนี่ยจริงไหมเช่นเห็นเทวดาเฮ็นอะไรต่างๆหลวงปู่ตอบว่าที่เห็นน่ะจริงแต่สิ่งที่เห็นไม่จริงเห็นไหมพูดแค่นี้ท่าน นิมิตเนี่ยที่เห็นน่ยมันเห็นจริงๆแต่สิ่งที่เห็นว่าเป็นโน่นเป็นนี่มันไม่จริงมันเป็นนิมิตแจมแจ้งเหมือนเห็นด้วยตาครับจูงใจให้เกิดศรัทธาอันนี้คือบุคลิกลักษณะน้ําเสียงลีลาอารมณ์ของท่านท่านต้องมีอารมณ์ในการพูดนะครับไม่ใช่พูดทื่อๆเนอะมันไม่จูงใจเคยไหมครับ เอาเรื่องตลกไปเล่าเนี่ยจบแล้วคนเงียบกิบโยมจบแล้วขำ ม, มะหรือเล่าเรื่องผีเล่าเรื่องผีเราก็ต้องมีอารมณ์นะโอ้วันหนึ่งนะโยมอาตมาไปป่าช้าเงียบเย็นเยือยมีเสียงนกแควอู้มาข้างหลังอาตมาตกใจ เห็นควันไฟลออยู่ที่เชิงตะกอนะแล้วก็อยู่ๆนะลงที่บนเชิงตะกอนที่กองฟอนเนี่ยมันยุบฟุบอะไรก็ไม่รู้กลิ่งกุ้งกุ้งกุ้งกุ้ ง, ง, ง, งมาหาอาตมาเพื่อเป่นนะโยมนี่รอดมาเทศให้ได้ก บ, บุญแล้วนะเนี่ยเห็ไหคนจะเกิดลมร่วมแต่ไม่ใช่ท่านบอกโยมว่าหนึ่งอาตมาไปป่าช้า เห็นเชิงตะกอนโลกงแตกโยมหล่นตุบๆกนอะไรตุบๆไม่มีฟีลลิ่งเลยอะเวลาท่านพูดถึงพระพุทธเจ้าท่านศรัทธาไหมศรัทธาในพระพุทธเจ้าหรือเปล่าถ้าท่านศรัทธาท่านจะต้องแสดงออกมาทางสีหน้าน้ำเสียงเวลาเราอ้างพุทธพจน์เล่าเรื่องพระพุทธเจ้า ไปที่ป่าปะดูหลายทรงหยิบใบไม้ขึ้นมากามือหนึ่งแล้วถามว่าภิกษุทั้งหลายใบไม้ในกํามือของเรากับใบไม้ในป่าอันไหนมากกว่ากันเราเหมือนกับว่าเราไปดูเหตุการณ์พระพุทธเจ้าเนี่ยอยู่ตรงนั้นเลยมีศรัทธามีความรู้สึกเขาเรียกว่าอารมณ์นั่น ท่านจะจูงใจคนเนี่ยท่านจะต้องมีอารมณ์คนจะพูดให้ขำเนี่ยตัวเองจะต้องมีอารมณ์ขันแต่อย่าไปหัวเราะก่อนเท่านั้นแหละท่านลองเอาเรื่องตลกไปอ่านดูถ้าเรื่องไหนมันขำนั่นแสดงว่าท่านมีสิทธิ์เล่าท่านถ้าท่านอ่านกี่รอบมันก็ยังนึกไม่ออกมันขำอย่างไรอย่าไปเล่าท่านเพราะท่านยังไม่ขำเลยชาวบ้านมันจะขำได้ยังไงท่านฟังผมเนี่ยมันไม่ขำ แล้วท่านจะไปเล่าต่ อ, ตอเห็นคนอื่นเขาหัวเราะแต่ท่านไม่ขำท่านไปเล่าอย่างเงี้ยไม่มีอารมณ์ร่วมครับท่านดูนักการเมืองทครับเขาอภิปรายในสนามหลวงสมัยก่อนเนี่ยโจมตีรัฐบาลโจมตีอะไรต่างพูดจะเป็นจะตายเขาจูงใจให้คนเดินขบวนไปตามเขาได้เนี่ยเพราะเขามีอารมณ์สมารถปนาท่าน สร้างอารมณ์ผมเคยไปเทศเรื่องงานวันเกิดครับให้หลวงตาชีที่อเมริกาวัดไทยเอเล่เล่าเรื่องพระพิมลธรรมวัดมหาธาตุโดนจับวันที่ตำรวจมาจับท่านไปเข้าสันติบาลเนี่ยท่านกำลังฉันเพลงอยู่ตำรวจสันติบาลก็มากันส่งหมายจับให้ท่านท่านหยิบมาแทนที่จะอ่านท่านคว่มไว้ เดี๋ยวชันเพนก่อนใจเย็ั้นเพนชันเพนเสร็จหยิบจดหมายหมายจับมาอา่านอ๋อเดี๋ยวก่อนนะสั่งงานก่อนท่านก็เขียนสั่งงานแปดข้อด้วยลายมือเนี่ยนะครับสกกาลันไม่ผิดเลยสติดีมากเดี๋ยวนี้ก็ยังเก็บไว้แล้วก็สั่งงานอ่ะพร้อมแล้ว แต่เดี๋ยวจะไปออกทางด้านโน้นนะไปไหว้พระสารีริกธาตุก่อนพระเนนก็ไปตั้งแถวส่งตั้งแถวส่งหลวงพ่อก็เดินพระเนนเนรน้อยร้องไห้สงสารหลวงพ่อตำรวจเดินคุมมาเป็นขบวนหลวงพ่อบอกเนรอย่าร้องไห้ไปเลยหลวงพ่อไปไม่นานหรอกเดี๋ยวก็กลับมา ไม่นานที่ไหนได้ห้าปีอยู่สันติปาลาลามผมกาลังผมกำลังเทศเนี่ยนะครับคนฟังนั่งน้าตาไหลนั่งน้าตาไหลเห็นภาพผมก็เฮ้ทำไมร้องไห้กันโอ้หลวงหลวงตาชีเจ้าของงานก็เคยถูกตำรวจจับไปอยู่สันติปาลาลามรุ่นเดียวกันนั่นเขาร้องไห้สงสารหลวงตา ไอ้เราก็ไม่นึกว่ามันจะร้องกันทั้งหมดนะน่ะอู้สร้างอารมณ์ได้ดีเหลือเกินแล้วลมันผิดงานนี่งานมันเกิดยังไม่ตายผมยจะทํายังไงดีคนมันอินมากนะท่านแล้วมันเกิดอารมณ์ร่วมทํายังไงจะหักมุมดึงอารมณ์คนให้มันออกมาจากความเศร้าในงานวันเกิดเศร้าเพราะสงสารหลวงเตชี แต่ไปนึกเราไปเล่าถึงอีกองค์หนึ่งโชคดีเป็นของผมครับกำลังนึกว่าจะทำยังไงให้คนสะดุ้งออกจากภาวังแห่งความเศร้าก็ไม่รู้ไอ้หน้าไหนมันไม่ได้ปิดเสียงโทรศัพท์ครับโทรศัพท์มันดองสนานวันไหวเลยท่านคนสะดุ้งตื่นจากภาวังเลยหายร้องไห้เลยท่านผมก็เปลี่ยนเรื่องไปเลอื่นแดบเลยเ uh. นี่ยตงแต่นั้นมาหลวงเชีนี่มลผมทุกปีครับ ไปบ้างไม่ไปบ้างบอกเทศดีแล้วเกินคนร้องไห้เนะีเ่ยผมเทศอีกงานหนึ่งครับสนามหลวงครับเรื่องสร้างมหาจลาที่หวังน้อยปา่าตะกถาเทศเสร็จโยมตามไปที่วัดมหาธาตุติดกันเทศผมเป็นโฉนดที่ดินสองไร่ ท่านเอาที่ดินเนี่ยของดิฉันเนี่ยไปขายสร้างวังน้อยเลื่อมสายท่านเหลือเกินติดกันเทศด้วยโฉนดที่ดินนั้นสองไร่เอาไปจําหน่ายแล้วเรียบร้อยนะครับไล่ละหกล้านสิบสองล้านท่านเคยเทศแล้วมีคนติดกันเทศสิบสองล้านไหมครับนี่คือจูงใจนะท่านจูงใจให้เกิดศรัทธา แต่ผมไม่บอกมากแล้วครับเดี๋ยวท่านจะมาตัดหน้าผมว่าเทพยังไงเออบะท่านไปดูเอาเองในในวิดีโอในแลไรมันมีหมดอะสมาธ้านาจูงใจครับมีอารมณ์ร่วมกับเราสมุตเตชนาแก้วกล้าแก้วกล้าคืออย่างไรครับตัวอย่างครับคนถ้าฟังเทศแล้วเรื่องที่เรามาอ้างเนี่ยมันไกลตัวเขาเนี่ย เขาบอกทำไม่ได้หรอกแต่ถ้าเราเอาเรื่องใกล้ตัวใกล้ไวเขาเอาไปเป็นตัวอย่างเขาจะแก้วกล้าทำไมญี่ปุ่นนะครับติดตามข่าวหมูป่า13คนที่ติดอยู่ในถ้ำที่เชียงราย ย, ยังไม่ทันออกมาจากถ้ำเลยครับไปทำหนังสั้นญี่ปุ่นแล้ะครับผมก็ไผมเป็นกรรมการ สำนักงานวัฒนธรราามแห่งชาติส่งเสรมิมวัฒนธรรมแห่งชาติเขาบอกท่านเขาสร้างหนังญี่ปุ่นแล้วไปดูใน Google ได้ผมไปเปิดดูจริงครับตอนนั้นเด็กยังไม่ออกเลยเป็นคนญี่ปุ่นภาษาญี่ปุ่นหมดเลยแล้วเด็กสิบสามคนหน้าตาเหมือนเด็กไทยแต่ครูเนี่ยเป็นเป็นคนญี่ปุ่นเอามาแสดงทงั้งๆั้งที่มันเกิดในประเทศไทยแต่เขาไปเขาทําทําไมครับเพราะเขาต้องการสอนนักเรียนว่าจะเอาตัวรอดในถ้ำที่ติดอยู่ได้อย่างไร เอาเรื่องคนโตไปเนี่ยเขาเด็กมันไม่อินหรอกครับแต่เอาเด็กอายุสิบอ็ดขวบสิบหกปีเนี่ยนะเอาไปแสดงเนี่ยเป็นหนังเนี่ยนะครับให้มันนั่งสมาธิมีรูปนั่งสมาธิเลยนะครับหนังญี่ปุ่นเนี่ยเด็กนั่งสมาธิกันยังไงอะไรยังไงเนี่ยเอาไปสอนเด็กญี่ปุ่นทุกวันนี้ครับโอ้โหท่านมันเรียนรู้วิธีเอาตัวรอดอย่างดีเลยเด็กมันเกิดการควาแก้วกล้าก็ไอเด็กไทยยังทาได้ เราก็ทําได้เด็กญี่ปุ่นเนะพอเห็นเด็กไทยพูดภาษาอังกฤษกับฝรั่งสองคนใช่ไหมที่โผล่มาจากน้ําไทยนี่เยี่ยมจริงๆครับสอนกันยังไงดิพูดภาษาอังกฤษตอบโต้ฝรั่งได้ดีเหลือเกินขนาดติดอยู่ในถ้ำนะชื่นชมครับการศึกษาไทยแต่ที่ไหนได้ครับเป็นเด็กที่พูดภาษาอังกฤษได้คนเดียวครับรู้แต่หลังไม่มีสัญชาติครับมาจากพม่าครับแม้มันเสียตรงนี้แหละครับ กำลังจะโมโ้ซะหน่อยให้เด็กญี่ปุ่นได้ตามอย่างไทยอะไรนะครับเพราะฉะนั้นเวลาท่านเลือกตัวอย่างเนี่ยมันจะต้องใกล้เคียงกับระดับผู้ฟังเพราะฉะนั้นคนเนี่ยมันจะสนใจคนในวัยเดียวกันกลุ่มเดียวกันท่านลองปล่อยสุนัขเข้าไปในที่สาธารณะสิครับมันจะวิ่งไปหาสุนัขด้วยกันครับ สุนัขย่อมสนใจสุนัขครับคนย่อมสนใจคนเวลาตัวอย่างเนี่ยจะเอาแต่เรื่องนกแซงแซวมามันไม่ได้กินหรอกครับเพราะฉะนั้นเขาจึงสนใจเรื่องหมูป่าใช่ไหมนี่ตัวอย่างเนี่ยและอยู่ในวัยเดียวกันด้วยถ้าผมมาสอนพวกท่านเรื่องการเทศเอาระดับผมสอนเนี่ยนะโอ้ยมันไม่มีทางทําได้หรอกเออแต่ถ้าเออ ยังวัดนู้นก็ยังขึ้นธรรมาได้คนนี้ทําไมเราจะไม่ได้เห็นไหมนี่มันเกิดกล้าแก้วกล้าขึ้นมาเพราะตัวอย่างที่มันใกล้เคียงกันอะสัมปะหลังสนาร่าเริงครับร่าเริงนี้ด้วยด้วยอารมณ์ขันแต่ท่านอย่าไปหัวเราะเองด้วยนิทานด้วยตัวอย่างซึ่งผมก็สอดแทรกมาเรื่อยๆเนี่ยนะครับให้ท่านเกิดสัมปะหลังสนา ถ้าจะต้องพูดผสมผสานเทศผสมผสานให้ได้ทั้งแจ่มแจ้งจูงใจแกล้วกล้าร่าเริงแต่อย่าไปเน้นตลกเป็นตลกคาเฟ่ครับมันจะทําให้เกิดไม่เกิดศรัทธาจูงใจข้อสองมันจะเสียทันทีถ้าท่านไปทําตลกคาเฟเล่นกันอะไรกันเนี่ยนะเหมือนกับพระสองสมาณะเทศหากันเนี่ยนะยั่วกันแรงๆนะเออถามว่าเออ เห็นเดินกับเพลงกับเพลงขึ้นธรามะอ่ะไม่ทราบว่าชาติที่แล้วไปทําอะไรมาขาเดี่ยงอ่ะไปหักหน้ากันอย่างนี้คนก็หัวเราะกรึนกรึนกรึนพระก็อายใช่ไหมครับองค์ธรรมาโดนี่ยท่านตอบทันทีเลยอ๋อชาติที่แล้วเลยครับที่ทําให้ขาเดี่ยงเพราะชาติที่แล้วผมเตะปากพระครับโอ้อันนี้แรงไปหน่อยครับมันคนก็จะงงเนะอูทําไมพูดกันขนาดนี้ไม่เกิดศรัทธาใช่ไหมข้อสองมันจะเสีย ท่านก็ต้องระวังเอาให้มันพอดีแจ่มแจ้งจูงใจกล้วกล้าร่าเริงในการนี้เทศต้องให้ได้สี่สอแล้วท่านก็ลองประเมินเลครับที่ผมบอกอะ่ะในการเทศแต่ละครั้งวันนี้เราได้สี่สอไหมเทศแล้วคนฟังหลับไปเกิดครึ่งหรือเปล่าหรือไม่หลับโอ้ยังตาโตแสดงว่าตามเรื่องของเราแจ่มแจ้งถ้าได้สอเดียวก็ยังดี แต่โอ้โหทั้งจูงใจทั้งแกวกล้าทั้งล่าเริงติดกันเทศกันมันนี่มนกันต่ออะไรกันนางนี่แสดงว่าเรตติ้งดีครับใช่ไหมเรตติ้งดีผมไปพูดภาษาอังกฤษนะครับที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งครับเป็นการประชุมนานาชาติปาธกถาในการประชุมสมาคมแพทย์พยาบาลพอเทศเสร็จโถตามมาครับออขอนีมน ไปประชุมนานาชาติที่เกาหลีใต้เพราะว่าอยากได้พระที่พูดภาษาอังกฤษได้ดีอย่างนี้ไปประชุมผมก็บอกไม่ว่างผมก็ไม่ไม่คุยกับเขาตามมาถึงวัดเลยนะครับผมก็จะไม่รับครับมีไหนหน้าครับหลวงพ่อจากสหประชาชาติมาแล้วที่ไหนได้เกาหลีครับนี่องค์นี้แหละเี็ก <c oughs> <c oughs> เขาไปหาท่านอาทิตย์เนียบอกมาจาก u ูเอที่ไหนได้ซเกาหลี ก็ที่ผมไม่รับนั่นแหละก็มาแค้นผมนะให้ไปนะจนผมบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะพิจารณานะอีกสองวันก็มาอีกไม่รู้ไปที่ท่านน้อยแหละ <c oughs> แล้วผมก็พยายามส่งไปที่มหาจุฬาไม่ได้ไม่ใช่ผมเล่นตัวอะไรหรอกผมมีงานแล้วผมติด ง, งานแล้วผมก็ไม่ไปแต่นี่ผมหมายถึงมันเป็นการประเมิน ง, ง่ายๆท่านอิม a พ t ผลกระทบเรารู้ครับว่าเรา ประสบความสําเร็จหรือล้มเหลวแล้วเรารับงานไหวไหมมันไม่ไหวหรอกครับมันเยอะมากเพราะฉะนั้นมันจะประเมินได้เองท่านได้4ศอไหมถ้าแจ่มแจ้งจงใจแกี่ยวกับารลาเริง4ศนะให้ A ครับถ้าได้3ศอศอไหนก็ได้ให้บีมาสอบวัดไปอยูเนี่ยนักเทศเนี่ยนะครับให้ B ได้2ศได้ C ครับได้1สอก็ยังดีครับได้ดี ถ้าไม่ได้สักศอเดียวเอฟครับตกครับไปผันไปทาอาชีพอื่นดีกว่าครับสงสารคนฟังเทศท่านพูดแล้วไม่รู้ว่าอะไรมันแอบอะไรสักอย่างผมว่าไปเป็นเกจิดีกว่าครับพรมน้ำมนต์เหรอไม่ต้องพูดก็ยังพอได้มั่งอ่ะนี่คือตัวอย่างครับถ้าท่านได้แค่สามอันครับมันก็เหมือนเก้าอี้ตัวนี้ขาหักก็ยังดีครับ นั่งได้ไหมครับตัวผมแค่เนี้ปีนยังไม่ได้เลยเป็นเก้าอีท้ที่หน้าองค์การสหประชาชาติที่เจนีวาสวิตเซอร์แลนด์ครับเอามาให้ดูว่าเขาหมายถึงว่าถ้ามีสี่ต้องครบสี่มันถึงจะเกิดเอ ก, กภาพถ้าขาดอย่างใดอย่างหนึ่งมันก็ไม่ดีอ่ะทีนี้มาถึงการนิเทศหลักการผสมกันนะครับการเทศมีสองแบบครับ ธรรมมาทิฏฐานสอนธรรมะล้วนๆเป็นนามธรรมกับบุคคลาทิฐานสอนธรรมะด้วยตัวอย่างถ้าเป็นธรรมมาทิฐานสอนธรรมะล้วนๆเนี่ยเป็นแบบอภิธรรมครับอภิธรรมปิฎกจะว่าด้วยปรัชญาธรรมล้วนๆเลยครับลึกซึ้งมากแต่กี่คนที่จะฟังรู้เรื่อง ฉะนั้นท่านควรจะปรับมาแบก บ, บุคลาทิฏฐานมีตัวอย่างประกอบนั่นคือพระสุดตันตปิฎกครับเช่นเรื่องนิทานชาดกในพระสูตรและอื่นๆเขาเรียกการเทศด้บุคลาทิฐานสำนักวัดประยุรวงศาวาสเทศด้วยลีลาสาริกาป้อนเยื่อสอนท่านให้ใช้บุคลาทิฏฐานครับท่านจะไม่ใช้แต่เรื่องธรรมะล้วนๆจะต้องมีตัวอย่างประกอบเสมอ อันนี้เป็นหลักการนะครับมีสองแบบแต่ให้ใช้บุคลาธิฐานถ้าท่านรู้จักเรื่องบุคลาธิฐานเป็นยังไงท่านก็จะเข้าสู่ลีลาสาริกาป้อนเหยื่อละเอาที น, นี้ไปลีลาสาริกาป้อนเหยื่อให้แจมแจ้งจุงใจแก้วกล้าล่าเริงสี่ส่ทำได้ยังไงในนิเทศครับกกรเนี่ยกลางกลมกลืนเนี่ยใช้วิธีการต่อไปนี้ครับหนึ่ง อถาธิบายหลังจากตั้งท่านตั้งบาลีนิเขไป บ, บทแล้วนะท่านอธิบายตัวบาลีอ่ะเช่นพระหูการาหมายถึงอะไรทัศเสตาโรหมายถึงอะไรเขาเรียกอถาธิบายขยายจำแนกเช่นผู้มออีอุปการะคุณมีกี่แบบก็จำแนกไปสอดแทรกพาสิต เรื่องที่เราเทศนั้นมีพระบาลีรองรับไหมมีบทกลอนรองรับไหมหรือท่านพูดเอาเองถ้าแต่งกระทู้เขาเรียกมีกระทู้มารองรับไหมถ้ามีกระทู้มารองรับท่านสอบได้นักธรรมถ้าพูดเองนี่มันไม่น่าเชื่อถือครับต้องอ้างพุทธพจน์เขาเรียกสอนแทรกภาษิตหรือไม่อ้างพุทธพจน์ก็อ้างคําพังเพยอ้างบทกลอนอ้างอะไรก็ตามอย่างที่ผมพูดเมื่อกี้เนี่ยถ้าพูดไปเขาไม่รู้อยากรูเขาว่าโง่เง่างมเงเซิร์นักหนา มันให้น้ำหนักในการสีสอให้ไขว่ฟังทันทีแล้วท่านก็นจะจำแม่นเห็นไหมครับสอแท้กราสิทธิ์มีข้อคิดมีอุปมาที่จะทำให้เขาคิดตามไหมจดจำไหมมีนิทานสาทกไหมนิทานคือเรื่องเล่าและก็สาทกคือเหตุการณ์จริงเนี่ยอย่างหมูป่าเนี่ยไม่ใช่นิทานหมูปา่าสิบสามคนเนี่ยเป็นสาทกแต่ถ้านิทานเรื่อง สีสอ่อให้ใครฟังเนี่ยเป็นนิทานยกสื่ออุปกรณ์เวลาเทศในท่านเทศถือๆหรือมีสื่อมีอุปกรณ์ด้วยทําอย่างไรให้มันเหมาะกับการเทศโดยใช้สื่อที่ผมบอกว่าผมจะพูดเป็นเรื่องสื่ออุปกรณ์เป็นเรื่องสุดท้ายเนี่ยจะเรียงลําดับตามนี้ครับอถาธิบายขยายจําแนกสอดแทรกปาศิทข้อคิดอุะมาณนิทานสาธกยกสื่ออุปกรณ์ถ้าท่านทําได้ครบตามนี้นะท่านได้สี่ซอครับปัญหาคือบางทีเนี่ย เราขบไม่แตกอาธิบายไม่ได้การตีความธรรมะเราตื้นไม่สามารถอาธิบายท่านก็ต้องเรียนวิธีตีความขยายจำแนกนะท่านก็ตีความขยายความไม่ได้สอดแทรกพาสิท์ท่านความรู้รอบตัวท่านน้อยท่านฟังน้อยอ่านน้อยจํามาน้อยมันก็ไม่มีกรอนมาสอดแทรกพาษิทธ์มาแทรกข้อคิดออมาท่านไม่เคยไปอ่านของคนอื่น ท่านก็ไม่สามารถจะเอาข้อคิดของคนอื่นมาใช้ได้อุปมาการเปรียบเทียบก็ใช้ไม่ได้นิทานก็ไม่มีบางครั้งเนี่ยเทศจนจบยังหานิทานไม่ได้สักเรื่องเดียวหรือไม่มีนิทานก็เอาเหตุการณ์จริงก็ได้เกิดในประเทศไหนที่ไหนก็ได้ในโลกผมเทศบ่อยไปครับที่หาไม่ได้ผมก็ไปเอาจากโน่นครับออฟริกาก็มีเอามาจากอินเดียก็มียุคปัจจุบันเนี่ยท่านเ้าท่านไปเปิดแม้กระทั่งเอาเอามาจากโน่นครับ นักบินอวกาศได้ทั้งนั้นคนอยู่นอกโลกเขารู้สึกยังไงมามาเป็นตัวอย่างยกสื่อประกรณ์ก็ชัดเจนนะครับอ ย, อย่างผมพูดเนี่ยผมก็จะต้องมีสื่อแล้วเทศผมทำยังไงเดี๋ยวผมจะอธิบายผมจะอธิบายแต่ละข้อไปสั้นๆนะครับตามที่เวลากำหนดอนถาธิบายคืออะไรครับพอท่านได้บาลีครับพระหูการาพิกขเขวเมาตาปิตโรเป็นต้นเนี่ยนะครับท่านต้องแปลตอนที่ ขยายความเนี่ยอ ธ, ธิบา ย, ยแปลความว่ า, าพิกษมันพิกสูตรทั้งหลายมารดาบิดาเป็นผู้มีอุปการะมากพระหุการานี่นะครับแปลขยายความและอธิบายคํานิยามนะพระบาลีเวลาท่านเทศท่านอย่าไปยกหมดนะครับตอนขึ้นต้นเท่านั้นเนี่ยว่าทุกตัวเลยพระหูการาพิกเขเวค้าเรียบบาลีนีเข็บมาหมแต่ตอตอนที่อธิบายท่านบอกว่า ดังพระบาลีนี้เขะประบอว่าพระหุการาภิกขเวมาตาปิตโรเป็นต้นอย่าไปซ้ําให้มันยืดยาวครับมันจะน่าเบื่อบางทีเนี่ยบางท่านเนี่ยนะครับเทศแล้วยกบาลีว่าอะไรครับอย่างเช่นว่าอัตตาหิอัตโนนาโถโกหินาโถปรโรสียาแล้วเวลาไปเทศก็ยังจะไปย้ําอีกว่าดังพระบาลีที่ว่าอัตตาหิตโนนาโถโกหินเราแค่ว่าอัตตาหิตโนนาถโถเป็นต้นซึ่งแปลความว่าตนแลเป็นที่พึ่งของตน คนอื่นใครเล่าจะเป็นที่พึ่งของตนได้เราก็อ้างสิครับว่าดังพระบาลีนิเขพบดว่าพระหุการาภิกขเวเป็นต้นซึ่งแปลความว่ามารดาบิดาเป็นผู้มีอุปการะมากเป็นผู้ประครบประงมเลี้ยงดูบุตรเป็นผู้แสดงโลกนี้แก่บุตรใช่หไหมครับนี่คืออธิบายอธิบายคือคำคำที่เป็นคีย์เวิร์ดคำสาคัญเป็นหัวข้อในการเทศก็คือพระหุการา ผมไปเปิดอัตกรถิ่นดูนะครับอยู่ในสะพรัมมกะสูตรเปิดคําว่าพระหูการาท่านขยายเป็นพระหูปการาแปลว่ามีอุปการะมากและท่านรู้ไหมครับอุปการะมากหมายความยังไงผมไปเปิดพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานอีกเห็นไหมครับไม่ใช่อยู่ๆพมมานั่งอุปการะแล้วก็เกื้อหนุนเกื้อกู้อะไรก็ว่าผมต้องมีหลักฐานว่าพจนานุกรมฉบับราชาสถานเขาอธิบายคําว่าพระหู อุปการะหมายถึงความช่วยเหลือเกื้อกูลความอุดหนุนเห็นไหมครับเราไม่ได้พูดเองพระหูการาผมไม่ได้ตีความเองอธิการาอธิบายว่าพระหูประการามีอุปการะมากแต่สมมุตินะครับท่านไม่ได้มีความรู้ที่อย่างค้นอย่างผมท่านก็ไปอ้างสิไปไปดูที่ปรมาจารย์เทศไว้อย่างผมเทศไว้ยังไงใครเทศอย่างก็จำไว้บางทีเราค้นเองไม่ได้เราก็ไปคว้ามาแต่ดีกว่ามั่วไปเรื่อยครับ ขยายจำแนกอุปการะมากนี่ใครมีอุปการะมากมารดาบิดาถามว่าอุปการะมีกี่แบบขยายจำแนกผมอธิบายว่ามีสามแบบครับผมคิดคำขึ้นมาเองล่ะทีนี้อุปการะคุณทางกายเรียกว่ารูปะปัจจัยอุปการะคุณทางใจเรียกว่านามะปัจจัย อุปการะคุณด้านตัวการเลี่ยกวาการระกระปัจจัยอันนี้คือหลักในการเทศของผมซึ่งไม่เคยมีใครเทศมาก่อนนะครับนี่คือการขยายจำแนกของผมแต่มันต้องมีหลักผมไม่ได้มั่วนะครับเดี๋ยวผมจะบอกว่าผมเอาอุปการะคุณทางกายเนี่ยที่ว่ารูปรปัจจัยเนี่ยนะมาจากไหนอุปการะคุณทางใจนามาปัจจัยมาจากไหนอุปการะคุณด้านตัวการการระกระปัจจัยมาจากไหน ท่านอย่าไปคิดมั่วนะครับท่านจะต้องบอกว่าอันนี้เราได้มาจากตัวไหนบิดามารดาเป็นพระพรหมของลูกคําว่าพระพรหมคืออะไรพรหมคือผู้สร้างโลกใช่ไหมครับของอินเดียแต่คนเนี่ยมักจะไม่เข้าใจครับผมอธิบายตีความของผมเองว่าผู้สร้างลูกของพ่อแม่เนี่ย เราเราเป็นอะไรของพ่อแม่ครับเราเป็นอวตารครับนี่ผมไม่เรียกพระพรหมหรอกผมเรียกพ่อแม่เป็นพระพรหมผู้สร้างลูกแต่ตัวผมเนี่ยเป็นอวตารของพ่อแม่ผมอันนี้ไม่เคยมีใครพูดนะครับคําว่าอาวตารหมายถึงอะไรท่านก็ไปเปิดพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสานอาวตารหมายถึงการแบ่งภาคมาเกิดครับการแบ่งภาคมาเกิดเช่นพระนารายณ์อยู่บนสวรรค์ แบ่งภาคมาเป็นพระรามเรียกว่ารามาวตารแต่ต้นฉบับยังอยู่ในสวรรค์ครับแบ่งภาคมาเฉยๆผมเป็นอวตารของพ่อแม่ผมแบ่งภาคของพ่อแม่ผมมาเกิดไม่ใช่วิญญาณครับทางรู ป, ปะปัจจัยคือนามรูปอะ่ะธาตุเศดินน้าลมภัยมหาภูตรูปอุปายายรูปผมแบ่งภาคมาจากพ่อแม่ ผมไม่ได้แบ่งมาจากคนอื่นเลยนะพ่อแม่เนี่ยแบ่งแบ่งเซลล์ทางวิทยาศาสตร์เขาเรียกเซลล์ครับมารดาบิดาอยู่ร่วมกันมารดามีหรือดูมารดาบิดาอยู่ร่วมกันเนี่ยแล้วมันก็เกิดอะไระปฐมมังกร ล, ลังโหติคือตัวอ่อนเล็กๆ เ, เนี่ยมันมาจากไหนมาจากพ่อจากแม่ ผมได้แบ่งมาจากเซลลของพ่อของแม่มาเป็นตัวผมแล้วเซลล์เนี่ยมันแตกตัวจากสองเป็นสี่จากสี่เป็นแปดแล้วมันมีแขนมีขาภายในกี่สัปดาห์เนี่ยพระใจไปดกว่าไม่หมดถามว่าผมมาจากไหนมาจากพ่อแม่สร้างครับสร้างในความหมายก็คือผมแบ่งภาคมาเป็นอวตารแต่เป็นอวตารทางกายภาพ ค, ครับผมไม่ได้แบ่งวิญญาณของพ่อแม่มาเพราะว่าการที่เราจะเกิดจะต้องมีคันทัพพระวิญญาณจุติ วิญญาณมาจากที่อื่นมาโจาติมาเป็นผมแต่มาดาบิดาต้องอยู่ร่วมกันเห็นไหมครับอ้างอาวตารนี่เพียงแต่เป็นสับเอามาใช้แต่ในความหมายใหม่เลยครับผมเทศมือเช้าเนี่ยไม่เคยมีใครตีความอย่างนี้ผมจะบอกยกตัวอย่างให้ท่านดูแล้วไม่ผิดด้วยเพราะเป็นการแบ่งภาคทางกายในในมหาตันหาสังคยสูตรครับเราจะเกิดต่เมื่อหนึ่ง มารดาบิดาเอมารดาอยู่ในวัยเจริญพันธ์สองบิดามารดาอยู่ร่วมกันมีความสัมพันธ์และข้อสามในขณะนั้นมีคันท พ, พะคือวิญญาณจิติเพราะฉะนั้นวิญญาณมาจากที่อื่นแต่ที่มารด า, าบิดามีความสัมพันธ์กันนั่นคือแบ่งมาจากเซลล์ของท่านมาเป็นตัวเราและวิญญาณของเราก็มาผสมเราก็แบ่งภาคกาย รู้ปัจจัยมาจากของท่านผมถามว่าในโลกนี้มีคนหกพันล้านเนี่ยท่านไปได้เป็นอวตารของคนอื่นไหมไม่เป็นครับเฉพาะพ่อแม่ของเราเท่านั้นแล้วแบ่งภาคมาต่อให้เป็นพ่อบุญธรรมแม่บุญธรรมเราก็ไม่มีความสัมพันธ์ตรงนั้นแล้วแบ่งชีวิตของท่านมาแล้วถามว่าพ่อแม่เนี่ยเมื่อให้ชีวิตเรามาเนี่ยท่านจะรักเราไหมเพราะถ้ารู้สึกว่าเรา เราเรียกคืออวตารของท่านน่ยแบ่งภาคของท่านถามว่าในโลกนี้เรารักใครมากที่สุดพระพุทธเจ้าตอบเลยนัตถิอตตะสมังเปมังรักใดไหนเล่าจะเท่ารักตัวเองไม่มีและเมื่อพ่อแม่พิจนารณาลูกเนี่ยเป็นตัวของท่านเองทึ่งขยายมาเนี่ยแล้วท่านรักตัวของท่านเองแล้วทำไมจะไม่รักลูกมันจึงรักมากกว่ารักคู่ครองรักใครต่างๆมันสัมพันธ์กัน นี่คือการวิเคราะห์ที่ผมได้เทศเมื่อเช้ารักของแม่เนี่ยโอยพัฒ น, นาไปก็ไม่หมดมันก็ไม่ได้ขัดกับหลักที่ว่านัธทีอัตตะสมังเปมังรักใดไหนเล่าจะเท่ารักตนไม่มีมันลูกคือตัวตนที่ขยายของพ่อแม่นี่คือรูปปปัจจัยสองภาษาบาลีเขาว่าโปสกะแปลว่าเลี้ยงเนี่ยหมายถึงอะไรอาปาทกาประครบประงมเลี้ยงดูเนี่ย หมายถึงให้อาหารทางกายท่านในพระบาลีนะถ้าท่านไม่ลืมให้เนี่ยให้อาหารทางกายโอ้จะเยอะไปเอาแค่นี้แะให้อาหารทางกายคือโปสกานี่นี่อาปาธกาโปสกานี่เลี้ยงกายส่วนแสดงโลกนี้คือเป็นบุรพ า, ารย์เป็นครูคนแรกของลูกท่านรู้ไหมว่า อันนี้ที่ว่าความรู้มากเนี่ยนะครับเลี้ยงใจเนี่ยคือสอนภาษาเรียกพ่อเรียกแม่เด็กคนไหนที่ไม่มีพ่อมีแม่ไม่มีใครสอนภาษาเนี่ยนะถ้าอยู่กับเสือกับเาขาเรียกหมาป่าอะไรต่างๆเมาครีลูกหมาป่าอายุถึงเจ็ดแปดขวบจะพูดภาษามนุษย์ไม่ได้เพราะอะไรท่านเด็กที่พ่อแม่แกล้งขังไว้ใต้ดินไม่พูดด้วยเนะี่ย จนอายุสิบขวบเนี่ยตำรวจไปเจอขึ้นมาสอนภาษาไม่ได้เพราะภาษาเนี่ยมันจะต้องสอนก่อนอายุหกขวบเกินหกขวบแล้วโครงสร้างไวยากรณ์ไม่มีครับท่านท่า น, ท, านท่านปลูกฝังไวยากรณ์ไม่ได้ถ้าไม่มีไวยากรณ์ภาษาไทยท่านจะเรียนไวยากรณ์อังกฤษก็ไม่ได้เลยมันต้องมีสักไวยากรณ์ภาษาหนึ่งฉะนั้นเด็กๆเกนี่ยตัวเล็กๆเกนี่ยมันจึงเรียนได้หลายภาษาครับเพราะโครงสร้างไวยากรณ์มันมาอยู่ในนั้น ถ้าจะเห็นว่าที่ผมพูดเนี่ยความรู้ผมเยอะมีข้อมูลมากเราก็ไม่จําเป็นจะต้องรู้ขนาดนั้นหรือเอามาสอดแทรกขนาดนั้นข้อสี่ครับการะกะการกครับเมื่อเลี้ยงกายเลี้ยงใจแล้วพ่อแม่เป็นตัวการอย่างไรส่งลูกไปเรียนที่โรงเรียนครับใครจ่ายค่าเทอมครับจ่ายค่าอาหารครูสอนนะครับส่งมาบวชอยู่ที่วัดใครพามาฝาก ไม่ได้ทำเองครับแต่พ่อแม่เป็นการรกการกะปัจจัยแปลว่าตัวขับเคลื่อนตัวการทีนี้ท่านท่านเห็นหรื อ, อยังว่าเมื่อคนอื่นมีบุญคุณกับเราอย่างนี้เนี่ยมีใครบ้างไม่มีบุญคุณกับเราในโลกนี้ท่านบางคนมีบุญคุณนอกจากพ่อแม่แล้วเนี่ยนะครับเขาก็เลี้ยงกายเราใส่บาตเราเขาก็ให้ความรู้เราอย่างผมให้ความรู้ท่านเนี่ย เป็นอาจารย์แต่ยังจะมีอีกหลายรูปเขาไม่ได้มาสอนอย่างท่านแต่เขาก็มีบุญคุณกับพวกท่านอุปการะเนี่ยนะมาตั้งเก้าอี้ให้ท่านท่านเห็นบ้างหรือเปล่าไม่เห็นใครตั้งเก้าอี้ในที่ท่านนั่งเนี่ยเขาเรียกกา ร, กการะกะปัจจัยใครมาตั้งจออยู่นี้ใครมาเสิร์ฟน้ำท่านท่านนึกถึงบุคคลเหล่านี้บ้างหรือเปล่า นึกถึงอุปการะของบุคคลเหล่านี้ที่ทำให้การอบรมเนี่ยเป็นไปได้ถ้าท่านไม่นึกถึงก็คือท่านไม่รู้คุนไม่ตั้งใจเรียนให้สมกับที่เขาเหนื่อยยากมาดูแลพวกท่านซึ่งท่านมองไม่เห็นเลยท่านเดินทางมาเนี่ยจเจ้าวาดสมมติจ่ายค่ารถให้ท่านจเจ้าวาดเอาปัจจัยมาจากไหนใครบริจาคเหล่านี้เป็นการละกะปัจจัยทั้งสิ้น เขาเรียกอุปการะโดยอ้อมคนที่มีความกตัญยูเนี่ยจะถนอมรักษาสายโซ่แห่งอุปการะคุณเหล่านี้จะไม่เนรคุณคําว่าถนอมรักษาคือมีความกตัญญูและกะตะเวทีอันนี้ก็มีภาษิตมารับนะครับความกตันยูกะตะเวทีนี้เป็นพื้นฐานของคนดี เอสาพิกเวสั ป, ปุริสภูมิยติี่ทางกตัญยุตากตาเวทิตา ก, กตัญยูคือรู้คุณกะตะเวทีตอบแทนคุณเนี่ยมันเป็นลักษณะของคนดีเพราะเวลาที่เรานึกว่ามีคนมาร่วมมาช่วยเราเยอะแยะหมดเนี่ยอย่างหมูป่าสิบสามตัวมันออกมาจากถ้าเนี่ยมันเป็นนี่บุญคุณของคนเป็นพันพันคนทั่วโลกและมันยังต้องตอบแทนคุณอันนี้คือลักษณะของสัพบุรุษแต่คนที่ไม่ นึกถึงบุญคุณของใครพ่อแม่มาเลี้ยงเราเพราะว่าท่านจำเป็นอะไรก็ว่าไปพวกนี้ไม่ใช่คนดีคนดีก็คือคนที่มีความกระตัญญูรู้คุณและกระตะเวทีตอบแทนคุณท่านก็ขยายความทีครับกระตัญยูคือรู้ประการละที่เขาทําให้แล้วกระตะเวทีคือประกาศการรับรู้นั้นเวลาใครเขาให้ของท่านเนี่ยกระตะเวทีไม่ได้ยากเลยหนึ่งซักสนใจที่เขาให้อันที่สอง กล่าวขอบคุณสักประโยคหนึ่งได้ไหมคำขอบคุณนั่นคือกระตะเวทีท่านขอบคุณตอนนี้ไม่ได้ส่งบัตรขอบคุณไปที่อื่นหรือส่งเมสเซจไปก็ได้แสดงว่าท่านมีกระตันยูกระตะเวทีโยมเขามาถวายน้ำปานะท่านท่านกระตะเวทีกระตันยูคือรู้คุณของโยมกระตะเวทีคือให้พรตอนสุดท้ายนั่นคือประกาศว่า เราทาบซึ้งยะถาวาริวหาอะไรก็ว่าไปสัพพโรก็ว่าไปมันเป็นระบบของสังคมที่ทำให้เราอยู่ร่วมกันคนดีไม่ใช่รับอย่างเดียวเขาจะเป็นฝ่ายให้ด้วยคนไหนเอาแต่ได้ไม่ใช่คนดีเราอย่าไปคบเพราะวันหนึ่งเขารับไปจากเราเขาก็แหว้งกัดเราได้เลือกคบสิครับเพราะฉะนั้นมันจึงมีสองคำครับคนไหนทำอุปการะคือช่วยเรา มีบนคุณเขาเรียกอุปการะเรารู้สึกกระตันญูรู้คุณเราจะต้องปฏิการะคือตอบแทนคุณปฏิการะคือตอบแทนด้วยศักการะเคารพนับถือบูชาอย่างพวกท่านอยากจะตอบแทนคุณผมท่านไม่ต้องเอาสตังค์มาให้ผมแต่เจอกันก็ไหวกันทักทายกันเขาเรียกสักการะเคารพยอมรับเป็นครูบาอาจารย์ไม่ใช่ลอกกันไปเทศต่อหน้าต่อตาแล้วยังไม่บอกว่าเอามาจากใครเลยท่าน เออมันเกินไปนะท่านหน่อบางคนนี่ยลอกของผมไปทั้งกันเลยอ่ะใส่ชื่อตัวเองเสร็จเลยเนี่ยเขาไม่เรียกว่ากตัญญูกะตะเวทีเพราะฉะนั้นและเรากตัญญูกะตะเวทีต่อพ่อแม่ทํำยังไงครับ <uke curse> <c oughs> ให้สิ่งของก็ได้อามิตบูชาหรือปฏิบัติบูบชาทําตามคําสอนเขาแต่งกระดาษอ่ะแล้วจะให้สิ่งที่ผมพูดมามันมีน้าหนักได้อย่างไรท่านก็อ้างโครงโลกกันนิษฐ์ครับ ให้ท่านท่านจักให้ตอบสนองนบท่านท่านจักปองนอกไว้รักท่านท่านควรครองความรักเรานาสามสิ่งนี้เว้นไว้แต่ผู้ธรชนคนดีครับใครให้ก็จะให้ตอบบูชาก็จะบูชาตอบรักก็จะรักตอบแต่ถ้าเป็นอสัปบุรุษเป็นคนอกตันยูเป็นธรชนเอาแต่ได้ครับ ไม่ถนอมน้ําใจใครแล้วคนอย่างนี้เราจะคบไหมครับเพราะขนาดพ่อแม่เขายังไม่กระตันยูเลยครับแล้วเขาจะมากระตันยูกับเราได้ไงขนาดวัดเขาเขายังไม่ไงเขายังไม่รักเลยมาอยู่วัดเรามันจะได้เรื่องเหรอขยายจําแนกเรากรตันยูสรุปแล้วเรากรตันยูต่อใครครับปฏิการะต่อบุคคลต่อสิ่งของต่อตัวการคือการรบ ท่านจะต้องมีความกตัญญูรู้คุนกตาวีทีตอบแทนคุณต่อคนอื่นต่อสิ่งของต่อตัวการทั้งสามเรื่องเนี่ยเป็นประเด็นหลักที่ผมจะต้องอ้างบาลีครับผมไม่ได้พูดเองครับต่อบุคคลเนี่ยข้อคิ ด, ดมาครับคนที่อุปการรคุณของพ่อแม่เหมือนแสงอาทิตย์ใครตาดีก็มองเห็นส่วนใครตาบอดมองไม่เห็นครับคนอักตัญญูก็เหมือนคนอักตัญญูก็เหมือนคนตาบอดครับ คุณคุณของพ่อแม่นะครับไม่เห็นนะอันนี้คือข้อคิดอุปมาเปรียบพระคุณของพ่อแม่ของผู้มีพระคุณเหมือนแสงอาทิตย์และคนอกักขายูืละคนตาบอดที่มองไม่เห็นแสงอาทิตย์เราก็พานนาไปสิครับนี่คือข้อคิดอุปมานิทานสาธก ค, ครับนิทานสาธก ค, คือเอาจากเรื่องที่เราบรรยายมาเนี่ยนะครับมีนิทานอะไรสอดแทรกเช่นเราจะ กาันตยูต่อบุคคลทำอย่างไรมีนิทานคือเรื่องที่เล่ากันมาครับส่วนสาธกหมายถึงตัวอย่างที่นํามาอ้างให้เห็นเป็นเรื่องจริงก็ได้ผมจะเล่านิทานเมื่อเช้าผมเล่านิทานอะไรครับเอาของพระพุทธเจ้าครับสุนัขจิ้งจอกครับสุนัขจิ้งจอกเป็นตัวอย่างของกตัญตูต่อบุคคลพระพุทธเจ้าเล่าไว้ใ น, ใน พ, พระไตรปิฎกครับ พระเจ้าประทับอยู่ที่วัดพระเช ต, ตวันเห็นสุนัขจิ้งจอกมันมาค้างคืนอยู่ตื่นเช้าขึ้นมาพระเจ้าก็มาค้างในวัดนะพระเจ้าก็ถามพระว่าพวกเธอเห็นสุนัขจิ้งจอกบ้างไหมก็บอกว่าพระก็บอกว่าเห็นแล้วเธอรู้ไหมว่าจิ้งจอกบางตัวเนี่ยกรตันยูดีกว่าพระอีกสุนัขจิ้งจอกบางตัวนี่กรตันยูดีกว่าพระบางรูปที่ไม่กรตันยู ทำไมพระเจ้าจะบอกว่าพระบางรูปไม่กตันยูพระอัตถกาถาจารย์ท่านอธิบายว่าพระองค์หมายถึงพระเทวทัตแล้วอ่านอย่างเดียวเราจะไม่รู้เราต้องไปอ่านคาอธิบายอีกแล้วพวกเธอเห็นสุนัขยิ่งจอกไหมมันกระตันยูกระตันยูอย่างไรพระองค์ก็เล่าว่าพี่พี่ชายน้องชายเจดคนครับเป็นชาวนาไปทํานาอยู่ในทุ่งนา พ, พวกพี่ๆเนี่ยครับก็ไถานากันอยู่ส่วนน้องชายคนเล็กเนี่ยเอามีดไปถากไปถางไ ป, ไปถอนครับไปถอนวัชพืชปลายนาห่างจากพี่น้องในขณะที่กำลังถอนวัชพืชอยู่นั้นเองครับจิ้งจอกตัวหนึ่งครับมันวิ่งไปวิ่งมาอยู่แถวนั้นแล้วพลาดอีท่าไหนไม่ทราบงูเหลือมครับมาลัดมันลัดสุนัขจิ้งจอก ไอ้ชาวนาคนน้องคนนี้เนี่ยเห็นจริงจอกจะเป็นอาหารของงูเหลือมทนไม่ได้ความหมายท่อนเบิ่มเลยครับไปตีงูตีหัวมันตีหัวมันใหญ่เลยมันเจ็บเลยครับมันก็คลายคลายจากสุนัขจริงจอกแต่ช่วงที่มันคลายเนี่ยหางมันออกรกเ น, นี่ยนะครับชาวนาไม่ทันรู้หางมันก็มาลัดชาวนาแทนลัดเพื่อจะกินเป็นอาหารแทนสุนัขนะ่ยมันปล่อยสุนัขไปเลยครับ สุนักกตัญยูครับมันรู้อุปการะว่ารอดชีวิตเพราะชายคนนี้มันจะต้องช่วยให้เขารอดชีวิตมันทาไงรู้ไหมตามระษาสุนัขมันก็ร้องดังเลยก็เห่าหอนวิ่งไปหาพวกพี่ชายหกคนของคนน้องที่ถูกงูลัดไม่มีใครสนใจครับหมาเห่าหอนมามันก็ไม่สนใจทํานากันไปชาวนาไอ้ชาวนาไม่สนใจสุนักจิงจอกจริงจอกมาททำไงรู้ไหม มันก็ปรีเข้าไปที่หม้อข้าวครับของชาวนาเหล่านั้นบนบนฝาหม้อข้าวมันมีมีดอยู่มันก็ไปคาบมีดเข่าก่อนแล้วก็คาบมีดวิ่งหนีไปพวกชาวนาก็นึกว่าสุนัขมาขโมยมีดก็ไล่กวดกันเนาะหกคนเนี่ยพี่หกคนเนี่ยวไล่กวดสุนัขสุนัข ก, ก็วิ่งแนบไปที่ชาวนาคนน้องโดนงูเหลือมรัดอยู่พอไปถึงใกล้ใกลก็ ขายมีดลงตรงใกล้ๆแล้วก็วิ่งหนีไปพี่น้ไ อ, อ้หกคนที่วิ่งมาไม่เห็นน้องถูกงูรัดก็เอามีดที่สุนัขมันขายเนี่ยฟันงูเหลือมตายช่วยชีวิตน้องชายไว้ได้พระพุทธเจ้าสรุปว่าแม้แต่สุนัข ก, ก็มีความกตัญญูรู้คุณและทําปฏิการัตอบแทนคุณฉะนั้นพี่สุนังหลายจึงไม่มี ความกตัญญูและปฏิกระต่อคนทั้งหลายเล่าท่านอย่าลืมนะครับภาษาลีบุตรอะตอนเรื่องลาท่าพรามเนี่ยใครก็จำไม่ได้เลยว่าคนคนนี้เคยช่วยอะไรมาเลื่อมหมดพอเขามาขอบวชก็ไม่ยอมให้บวชพอพระเจ้าประชุมแล้วถามว่าใครนึกถึงอุปการะที่พรามคนนี้ทำได้มาพาพภาษาลีบุตรบอกจำได้เคยใส่บาตรทัพพีหนึ่งนานมาแล้วนี่คือพระกระตัญญูครับ แม้แต่ต่อญาติโยมทั้งหลายเอผมมีอีกสองเรื่องแต่เวลามันจำกัดผมข้ามไปเลยกตยัตัญญูต่อสิ่งของครับสิ่งของผมไม่ได้พูดเองครับเอามาจากพุทธพจน์พระพุทธเจ้าตรัสว่ายัตสะลุคสะฉายายะนิสีท ย, ยะสัยยายวานะณัตสสะสาขังพันเชยะมิตรทุโพโภหิ ป, ปาปโกบางทีเราพูดเราเองเนี่ยเราไม่มีพระบาลีเนี่ยเขาจะนึกว่า อัตโนมัติครับไม่ศักดิ์สิทธิ์ครับประโยคนี้หมายความว่าอย่างไรแปลกครับบุคคลนั่งหรือนอนอยู่ใต้ร่มไม้ใดไม่พึงหักร้านกิ่งของต้นไม้นั้นผู้ทําเช่นนั้นชื่อว่าปทุสรายมิตรเป็นคนเลวแท้ๆมิตรตะทุพโภหิปากปะโกเห็นไหมครับต้นไม้มีอุปการะต่อเราให้ร่มเงาเราไปนั่งนอนอยู่ใต้ร่มไม้แล้วไปหักร้านกิ่ง ชื่อว่าไม่รู้อุปการะของต้นไม้อัคตันยูต่อต้นไม้ครับนี่อัตันยูต่อสิ่งของครับเราไปใช้น้ำดื่มน้ำอาบแล้วไปทำให้น้ำเน่าอักตันยูต่อมพระแม่คงคาครับเรามาใช้โบสถ์ใช้วิหารทำว่าสวดมนต์ปล่อยให้จุดเทียนปล่อยให้ไฟไหมอักตันยูต่อไม้สักครับวบาจีวร อ, อะไรต่างๆเนี่ย นักเรียนไอ้พวกช่างกลทั้งหลายชอบไปพ่นสีในโรงเรียนอะกะตันยูต่อโรงเรียนตัวเองอีกไม่รู้จักกะตันยูรู้คุณอุปการะของสิ่งของอยู่ในประเทศไทยครับใต้ร่มพระบรมโพธิสมบาตยังไม่รู้จักถนอมรักษาประเทศนะครับเป็นยังไงอย่าไปว่าเขาสุดท้ายครับกะตันยูต่อตัวการ การลดการะกะนะครับผมยกตัวอย่างครับบางคนเนี่ยเขาจะหวังดีหรือไม่หวังดีก็าตามครับเวลาเราขึ้นธรรมสวิจาร์สับเละเลยครับเกือบตกธรรมะบรณภาพเขาเป็นตัวการที่ทำให้เราเทศดีขึ้นครับถ้าเขาไม่วิจารไม่เนะเราก็เทศทึมๆอยู่อย่างนั้นแหละพระพุทธเจ้าจึงบอกว่า นิธีนังวะปะวัตตารังยังประเสววัชทัศนังพึงเห็นบุคคลที่มักชี้โทษว่าเราเทศไม่ดีเนี่ยเหมือนผู้บอกขุมทรัพย์ให้นี่ผู้บอกขุมทรัพย์มาแล้วนี่เวลาท่านวิจารณ์เนี่ยนอมรับเลยท่านจะเป็นตัวการเหมือนกับคนที่หล่อพระครับพระพุทธรูปเนี่ยเวลาจะหล่อให้งดงามมันจะต้องมีช่างติครับติตรงนี้ไม่ดีตรงนี้ไม่ดีแล้วช่างหล่อเนี่ยเขาจะแก้ให้ตรงกับที่ช่างติ คุณทะลุออกจะออกมางามเราอยากจะเป็นนักพูดนักเทศที่ประสบความสำเร็จเราต้องให้มีช่างติช่างติคือตัวการที่สนับสนุนบางทีไม่ได้ตั้งใจหรอกครับไม่ได้ติเพื่อกอหรอกครับติหาเรื่องนั่นแหละแต่เราฟังแล้วเออมันมีเหตุผลนะเราต้องไปปรับปรุงตัวเองนะมันก็จะเหมือนกับคนมาบอกว่าทำไมคุณใจร้อนเหลือลเกินอะปากร้ายออย้อนเรามาขนาดนี้ เราไปนึกได้เออแล้วเรามันก็ใจร้อนอจริงๆนะปากร้อนอจริงๆนะต่อไปนี้เราจะต้องใจเย็นลงเห็นไหมครับเราจะต้องขอบคุณคนที่มันกล้าว่าเนี่ยกล้าพูดมีพระเจ้าแผ่นดินองค์หนึ่งครับได้ชุดวิเศษมาเนี่ยโอ้โหสวยงามมากนะคือต่างใส่ชุดอะไรก็ไม่มีพอใจทั้งนั้นจนช่างในประเทศเนี่ยเอือมละอา ค, ครับช่างคนหนึ่งก็เลยเอาชุดไปถวาย ไปถวายเป็นเป็นชุดอะไรชุดสวยงามม า, มากๆเลยเป็นของทริปใครมองไม่เห็นเอลอลงใส่ที่จะสวยมากเลยพระเจ้าบริสิ ก, ก็ใส่ใส่ทําท่าใส่แต่มองไม่เห็นหรอกก็เออ อ, อไปเขาด้วยครับที่ไหนได้เปลืยครับเอโปแล้วแล้วไอไอช่างมันก็นัดกับไอพวกสอพรทั้งหลายเนี่ยบอกว่าโอ้ยสัง่งางามที่สุดชุดนี้เก๋ที่สุดใส่เลยมันลาคาญครับที่อะไรอะไรก็เลือกมาก มาเลยประชดเอาชุดทิปครับอาพรทิปพระเจ้าแผ่ดินก็ยืดสิครับโอ้ยตอนนี้ต้องเอาชุดทิปไปโชว์ในในในสนามหลวงหน่อยแล้วครับขี่รถม้าไปเลยครับโอ้ยคนเห็นก็รู้กันก่อนเนี่ยครับปรบมือเชียร์ใหญ่เลยเนาะปรบมือเชียร์ใหญ่ใครก็เชียร์พระเจ้าแผนดิก็ยืดใหญ่เลยถือคาถาใส่มงกุฎโป้ทั้งนั้นเลยครับเสร็จแล้วพอไปถึงจุดหนึ่งคนเฮโชเออเขาเรียกเฉียร์กันเฮกันใหญ่เลย ไอ้เด็กคนหนึ่งครับมันตะโกนขึ้นมาพระเจ้าแผ่นดินแก้ผ้ามันกล้าพูดนะหรือกูจะแก้ผ้าจริงๆเนี่ยเด็กมันไม่โกหกเนี่พอถามเด็กๆมันมีที่ไหนชุดทิพย์โดนหลอกทั้งเพท่านนี่เห็นคนที่ชีโทษอย่างเด็กคนเนี้ยไม่ใช่ไปตัดขอมันนะมันชี้ขุมทรัพย์ให้นี่นี่แหละครับกาตันยูต่อตัวการอุปสรรคศัตรูท่าน ทำไมเราจะต้องมองอุปสรรคกองศัตรูเป็นเรื่องที่ทอแทอุปสรรคศัตรูนี่เราเอาชนะได้เราประสบความสำเร็จมานไม่มีบารมีไม่แก่กล้าเราจะเทศสักน้อยโอ้ยพวกมาแกล้งอีกแล้วไม่หอนหมาเหา่าเอออยากจะฆ่ามันให้ตายไม่เป็นไรเราเทศไปท่านมันไม่มีบารมีไม่แก่กล้ามันมีตัวเป็นตัวการที่จะทำให้เราแข็งแกร่ง ถ้าหากว่าเราไม่แข็งแกร่งไม่มีสมาธินะแล้วเราจะเท่เก่งได้อย่างไรต่อให้ไม้ฮอนมาเขาฉันจะเทศนี่ในที่สุดเราไม่ยอมแพ้ท่านเราก็พัฒนาขึ้นพระเวสสันดรท่านเป็นชาติสุดท้ายของพระพุทธเจ้าต้องบริจาคทานบารมีให้สำเร็จแล้วจึงจะไปอยู่บนสวรรค์ชั้นดุสิตทานบารมีที่ต้องบริจาคเนี่ยคือทำมหมดบารมีสิเหลืออยู่ข้อเดียวท่าน ทานะอุปบารมีคือการบริจาคลูกบริจาคภรรยา ย, ยังไม่เคยทำในชาติใดก็ตามถ้าไม่ทำตรงนี้เนี่ยไม่มีทางสำเร็จเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้จะไปบนสวรรค์ชั้นดุสิตไม่ได้จะต้องทำบารมีต่อไปเพราะฉะนั้นในชาติสุดท้ายที่เป็นพระเวสสันดรนนต้องหาทางทำแล้วท่านไปอยู่ในป่าหิมพานเนี่ย ใครจะด้านด้นไปขอละ่ะสามีภรรยาไอ้ขอภรรยากับสามีขอบุตรธิดาไม่มีหรอกมีแต่ชูชกบ้าเลือดเท่านั้นแหละท่านไอชูชกไม่รู้มันมาจากไหนโผล่ขึ้นมามาขอลูกชาลีกันหาเมื่อกล้าขอก็กล้าให้เพราะจะได้บําเพ็ญบา ร, รมีให้สุดๆกันเสียทีพระเวสสันดรจึงมองชูชกเนี่ยเป็นตัวการเป็นมารที่เกื้อหนุนให้สําเร็จ โหที่ยาดแต่กระนั้นก็ตามครับพอพอบริจาคลูกกันหาชาลีชาลีกันหาแล้วเนี่ยลูกชาย ล, ลูกสาวแล้วเนี่ยก็ยังทวงน่ว ง, วงชูชกบอกอย่าเพิ่งรีบกลับนะค้างสักคืนหนึ่งเพราะเดินทางมาไกลตอนนี้มัทสีไปหาผลไม้จะได้ให้ท่านทานชูชกนึกในใจโอถ้าเกิดภรรยากลับมามัสีกลับมาเนี่ยขวางทางนี่เนี่ย ไม่ให้บริจาคลูกแน่ๆเรื่องอะไรจะอยู่แล้วลาเลยกลับไปดีกว่าไม่อยู่แล้วไปแล้วทีนี้จูงเด็กเนี่ยครับต่อหน้าพระเวสสันดรเด็กมันก็ไม่มันยังเล็กอยู่เนี่ยครับมันมันไม่ไปมันกลัวคนแปลกหน้าหน้าตาน้าเกลียดหน้ากลัวชูชกโกรธครับก็ไปเอาเถาวันเอาปากัดนะกัดเถาวันมาผูกแขนข้างหนึ่งของชาลีอีกแขนหนึ่งกันฮะลากมาเด็กดื้อก็ตกผางล้มลงตรงนั้นร้องจ้าเลย วิ่งเรียกไปหาพ่อพระเวสสันดรก็ยังนั่งอยู่ตรงนั้นแหละพระเวสสันดรเ น, นี่ยนะท่านรักลูกไหมรักมากสะเทือนใจมากน้ําตาไหลลูกของเราเนี่เราจะตีสักแปะก็ไม่เคยแล้วเนี่ยไอผู้เท่าคนนี้มันเป็นใครมาตีลูกต่อหน้าก็เข้าไปในบนรรณศาลาครับเข้าไปในบนรรณาศาลานี่แค้นมากๆที่มาตีลูกต่อหน้าพ่อหยิบขลักขันขึ้นมา เราไม่ได้อยู่ไม่อยู่ป่านี่มือเปล่านะพักขันสินชัยก็ถือมาจะแทงให้ตายธนูจาปังให้เหตวุวาแล่งธนูแล้วก็มีเราจะยิงให้มันตายหยิบทนูขึ้นมาเสร็จแล้วตั้งสติใหม่ครับตอนนั้นเนี่ยตอนอยู่ในอสมบสารรณาสลานึกว่าเวสันดรเอ่ยเราได้โอกาสในการบำเพ็ญมหาปิยบุตรทานบารมีที่ยิ่งใหญ่แล้ว และจะพลาดโอกาสนี้ได้อย่างไรเพื่อสู่พระโพธิญาณฉะนั้นขอเถอะอดกั้นไว้ตรงนี้นะครับมหาชาติคาหลวงได้แต่งไว้ไพเราะเพราะพริ้งมากว่ามันเกิดการขัดแย้งกันในจิตใจของพร ะ, พร ะ, โ, พพระโพธิสัตว์เวสสันดรว่ารักลูกก็รักลูกสงสารก็สงสารโกรธพราม์ก็โกรธพราหมณ์ที่ตีลูกจะเอาพระขันไปแทงให้ตาย มหาเวสันนรชาดกคำหลวงมหาชาติคำหลวงได้แต่งไว้ว่าวาริชัตเสวเมสโตเสมือนหนึ่งพรานเบ็ดมาตีปลาที่หน้าใสใครมาตีครับตาเท่าชูชกนี่แหละมาตีหน้าใสปลาจะเข้าใสาไม่เข้ามาทำให้มันสะเทือนใจวาริชัตเสวเมสโตเสมือนหนึ่งพรานเบ็ดมาตีปลาที่หน้าใส บรรดาปลาจะเข้าไปให้แตกฉานปลาก็เลยจะเข้าใส่เลยครับไปคนละทางของทางตัวเราผู้ทำทานเสมือนตัวปลาพระโพธิญาในภายหน้านั้นคือใสปราถนาจะเข้าไปจึงยกพระลูกให้เป็นทานบารมีพระลูกรักทั้งสองสีประดุดกระแสสินพรามประมาทมินมาดาตี เสมือนกระทุ่มวารีให้ปลาตื่นน้ำพระไทยเท้าเธอก็ถอยคืนจากอุเบกษามีอวิชามะห่อหุ้มพระปัญญานั้นกัดกรุ่มไปด้วยโมโหให้ลุ่มหลงโทโสเข้าซ้ำทรงให้บังเกิดวิหิงษาขึ้นทันทีว่าอุเมอุเมพรามนี่ชักพระขันเลยครับจะฆ่าชูชกให้ตายแล้วก็ตั้งสติเอ เรานี่ปรารถนาภูธยานนะและบริจาคไปเรียบร้อยเจ้านายกับทาาทาสีเขาจะตีกันมันเกี่ยวอะไรด้วยเจ้าเล่าก็ปล่อยวางท่านใช้พระสมาธิระ ง, งับดับพระวิโยกปรดโศกสลดแล้วพระพักก็ผ่องแผ้วแจ่มใสดุดทองอุไรทั้งแท่งอันบุคคลแกล้งหล่อแล้วมาวางไว้ในพระอาสม ตั้งแต่จะชื่นชมพระพระปิยบุตรทานบารมีแห่งนอพระชินสีเจ้านั้นแหลหน้าตาชนะกิเลสชนะความโกรธสงบเหมือนกับทองพระทองคำนะครับนั่งอยู่ในอาสมเช่าซักโอ้ไหมครับเห็นไหมนี่คืออารมณ์ผมเล่าเนี่ยมีอารมณ์และท่านก็ฟัง นี่ผมเทศมื่อเช้าอย่างนี้อ่ผมจะให้ท่านนี่ผมผมกลับมาแล้วนะให้ท่านดูว่าเทคนิควิธีการเป็นยังไงท่านต้องจำให้ได้ครับมหาชาติคำหลวงเนี่ผมพูดเดี่ยผมจำได้ผมเทศเดี่ยนะวาริชัสเสวเมสโตเสมือนหนึ่งพลานเบ็ดมาตีปลาที่หน้าใสแล้วผมหยุดเว้นวักเนี่ยพอดีมันสัมผัสบรรดาปลาจะเข้าไปให้แตกฉานตัวเราผู้ทาทานเหมือนตัวปลา พระโพธิญาณในภายหน้านั้นคือใส่ปราถนาจะเข้าไปจึงยกพระลูกให้เป็นทานบารมีพระลูกรักทั้งสองสีดังกระแสสินพรามประมาทมินมาดาตีเสมือนกระมืดกระทุ่มวารีให้ปลาตื่นนามพระไทยเท้าเธอถอยคืนจากอเบกษาบังเกิดอวิชามะห่อหุ้มพระปัญญานั้นกัดกลุ่มไปด้วยโมโหให้ลุ่มหลง โทโสเข้าส้ำส่งให้บังเกิดวิหิงสาขึ้นทันทีเมื่อเช้าผมเทศสดเลยนะเนี่ยเล่าเรื่องเนี่ยเทศโดยไม่ต้องดูเลยแล้วก็สุดท้ายเท้าเธอจึงตั้งพระสมาธิระงับดับพระวิโยกกั้นพระโศกสงบแล้วพระพักก็ผ่องแผ้วแจ่มใสดุดทองอุไรทั้งแท่งอันบุคคลจะแกล้งรอแล้วมาวางไว้ในพระอาสมตั้งแต่จะเชยชมพระปริยบุตรทานบา ร, รมี แห่งนอรพระชินศรีเจ้านั้นแหลเทศแหลนั้นคือเทศมหาชาติจะลงท้ายด้วยคำว่านั้นแหลเราจึงเรียกว่าเทศแหลเป็นเทศทำนองส่วนพวกเรานี้เทศธรรมวัดและลักษณะที่สุดยอดเหมือนกันคือถ้าเทศท่านเทศได้คล้องจองเป็นร่ายอย่างนี้เรียกว่าสุดยอดครับบางท่านก็ท่อนกรอนมาให้มันสัมผัสบางท่านก็แต่งเองแล้วแต่แต่ถ้าสัมผัสคล้องจองเขาเรียกว่า เป็นสาริกาป้อนเหยื่อครับแคว้นกาศีและโกโซนทางซองตบบนนี้รวมกันเป็นปัทภีแผ่นทองเดียวกันนี่พระราชาเวทีพรเทศอย่างนี้สมเด็จพระมหาธีราจารว์วัชนะเล่าให้ผมฟังว่ะสาริกาป้อนเหยื่อนี่มันจะคล้องจองสัมผัสได้อิทธิพลมาจากมหาชาติคำหลวงพระวัดประยุทเป็นวัดนักเทศมหาชาติเดี๋ยวนี้ท่านอย่างคุณพระราชธรรมวาทีท่านก็ เดินตามรอยหลงตาแพรแยกไม้ที่พูดคล้องจองกันเนี่ยในการเทศเนี่ยสังเกตสิอิทธิพลจากมหาชาติครับนะครับสุดท้ายครับยกสื่ออุปกรณ์อัฐฐาที่ายขยายจำแนกสอดแทบทางติดขอคิดอวามานิทานสาทกผมเล่าหมดแล้วนะยกสื่ออุปกรณ์คำว่าสื่อหมายถึงที่ติดต่อถึงกันหรือชักนาให้รู้จักเช่นแม่สื่อแม่ชัก สื่อไฟฟ้าครับไฟช็อตเราเนี่ยมันชักนำให้ถึงกันฉะนั้นอุปกรณ์คือเครื่องช่วยให้เกิดความเข้าใจในการเทศนะครับถ้าท่านไม่สามารถจะใช้สื่ออุปกรณ์ได้เพราะใช้คำพีอะไรนี่ก็ไม่ได้ทําเป็นมิดดาปก็ไม่ได้ท่านต้องก่อนจะขึ้นธรรมารเนี่ยท่านมองซ้ายมองขวาก่อน รอบรอบเราเนี่ยมันมีอะไรพอจะอ้างอิงเป็นสื่อได้ให้คนดูบอกเช่นโยมทำไมเราจะต้องจุดธูปจุดเทียนบูชาพระจุดธูปบูชาอะไรธูปสามดอกก็เพิ่งจุดไปอะ่ะเราจะอธิบายเรื่องพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณธูปสามดอกคือบูชาพุทธอ่ะ บูชาพระปัญญาคุณวิสุธทธิคุณมหากรุณาธิคุณเทียนสองเล่มพระธรรมะกับวิไนและดอกไม้นี่แหละไว้ทำอะไรพระสงฆ์มาจากต่างชั้นวันลนะมารวมกันแล้วด้วยเส้นได้กลายเป็นงดงามคือพระสงฆ์เนี่ยเราก็สอนพระรัตนตรัยได้แหละเขาจะไม่นั่งเป็นลูกเป็นนามมาทำกลายเป็นบุคลาธิฐานให้เกิดความเขาอกเขาใจ ในในการเทศเนี่ยท่านไม่ต้องเอาสื่อไปหรอกผมชอบสัมนวนนิยายกำลังภายในโกเล้งครับเขาบอกยอดฝีมือเนี่ยไม่ต้องพกกระบี่กระบี่อยู่ที่ใจไม่มีอะไรที่ใช้สอนธรรมะไม่ได้สื่อมีอยู่ทุกคนทุกแห่งครับแล้วแต่ว่าท่านไปถึงเนี่ยท่านดูว่าท่านจะอาศัยอะไรเป็นสื่ออย่างเมื่อกี้ที่ผมพูดนะครับไปงานศพท่านก็ ลงศพตอกไม้อะไรเนี่ยเป็นสื่อเทศได้เลยถ้าไปในงานอื่นละ่ะเช่นมีกันเทศตั้งอยู่ข้างหน้าการเทศตั้งอยู่นะครับโยมก็มาติดกันเทศโยมวันนี้ที่เทศเนี่ยก็เพื่อที่ระดมทุนหลวงพ่อเจ้าว่าจะสร้างะ จ, ะจะบูรณะสาลาการประเรียนเมื่อบูรณะสาลาการประเรียนนั้นญาติโยมก็จะได้มาใช้ศึกษาและปฏิบัติธรรม แต่ว่าญาติโยมจะต้องมีปฏิการะตอบแทนคุณของวัดคืออุปถัมด้วยจะตุปปัจจัยตอบพระสงฆ์พระสงฆ์ก็จะได้อุปถัมด้วยธรรมทานพึ่งพาอาศัยกันญาติโยมบริจาคอามิสทานพระบริจาคธรรมให้ธรรมทานมันก็จะเป็นการกัตัญญูกัตะเวทีต่อกันวันนี้พระต้องการสาลา ก, การปรเรียนให้ญาติโยมมา บูรณะนะช่วยกันบูรณะบริจาคแต่อาตมารู้สึกว่ากาันเทศวันนี้ที่ได้ทั้งหมดเนี่ยจะนำไปบูรณะพระศาลาการประเรียนเนี่ยคงจะไม่พอเพราะว่าแอบได้ยินแบงค์พันกับแบงค์ยี่สิบมันคุยกันก่อนขึ้นมาเนี่ยแบงค์พันมันถามแบงค์ยี่สิบว่า ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาเนี่ยไปเที่ยวที่ไหนมาบ้างแบงค์แบงค์พันถามแบงค์ยี่บแบงค์ยี่สบบอกผมไม่ได้ไปไหนเลยแล้วพี่ไปไหนบ้างขึ้นเครื่องบินนะไปต่างประเทศนะแบงค์พันเนี่ยไปถึงปอยเปรตนะเข้าบอลนะไปช้อปปิ้งเนาะโอ้ได้เที่ยวสนุกมากแบงค์พันไปทั่วเลยแล้วถามแบงค์ยี่สิบแล้วไปไหนบ้างพี่ ผมไม่ได้ไปไหนเลยช่วงเข้าพรรษานี่ได้แต่เข้าวัดติดต้นกันเทศอย่างเดียวไม่ได้ไปไหนเลยโยมดูสินี่มีแต่แบงคนะ์ยี่สิบนเข้าวัดนะหัดให้แบงค์พันมันเข้าวัดบ้างโยมเออจริงด้วยไม่มีเลยต้นกันเทศก็เป็นอุปกรณ์เป็นสื่อนำไปสู่เรื่องที่เราพูดฉะนั้น พระพุทธเจ้าเทศเนี่ยถามว่าใช้สื่อประกอบไหมใช้ท่านรูปนันทานะเป็นภิกษุณีที่ชอบเรื่องสวยๆงามๆไม่อยากฟังเทศพุทธเจ้าเพราะกลัวพรุทธเจ้าจะเทศเรื่องอ น, นิจจังทุกขังอนัตตาว่ารูปมันไม่งามไม่เที่ยงเป็นทุกข์ก็เลยไม่อยากฟังแต่ภิกษุณีไปฟังพุทธเจ้าทีไรนะเทศเพราะลึกเกินมาชมรูปนันทาภิกษุณีเถรีก็อยากจะไปฟังบ้างแต่ถ้าไปให้พุทธเจ้าเห็นเดี๋ยวจะเทศด่าเรา ก็เลยแอบไปท้ายพิษูณีบริษัทไปลองไปลองฟังดูพอไปเข้าที่ประชุมอยู่ท้ายบริษัทเนี่ยเปลี่ยนทัศนนะต่อพระพุทธเจ้าเลยใครว่าพระพุทธเจ้าไม่ชอบสวยๆงามๆเทศเรื่องแต่อันนี้จังไตวันไตพรุ่งไป็จริงเลยดูสิขนาดเทศเนี่ยนะยังมีสาวสวยนะ่มาถวายงานพัดอยู่ข้างๆเป็นสาวอายุสิบห้ายกๆยกสิบหกยอนยอนถวายงานพัด พระพุทธเจ้าโอ้ยสาวคนนี้สวยเหลือเกินนะใส่ชุดประจำชาติด้วยคิ้วสวยหนะ้าผากสวยปากสวยสวยมากๆเลยพุทธเจ้าเทศอะไรไม่รู้ไม่ฟังดูแต่สาวสวยรูปรันทาเนะี่ยเจ้ากับความงามที่จริงสาวสวยคนนั้นเนะี่ยเป็นสาวเนรมิตรที่พระเจ้าเนรมิตรด้วยโทระจิตให้รูปปันทาเห็นอยู่คนเดียวคนอื่นไม่เห็น เป็นโทรภาพท่านเหมือนโทรทัศน์เนี่ยแต่ไม่ต้องใช้จอนะมันเห็นขึ้นมาเลยเหมือนไอ้ไอ้ภาพสี่มิติสามมิติในสตาร์วอลท่า น, นก็เห็นขึ้นมาแล้วทำไงชมใหญ่ที่ไหนได้พระเจ้าเปิดวิดีโอทางจิตเป็นสื่อชั้นยอดพอรู้ปอันธากำลังเพลิดเพลินพทธเจ้าก็กดฟอร์เวิร์ดสิเด็กผู้หญิง 16หกลายเป็นอายุี่สิบโอ้โหสาวเต็มตัวนะรู้ปัญญาทาบอกก็สวยนะสวยมากยี่สิบกลายเป็นสามสิบฟ อ, อร์เวิร์ดไปสามสิบอุ้ยสามสิบยังแจ๋วออเดี๋ยวสี่สิบโหทำไมมันชักตัวใหญ่ขึ้นมาแล้วนะห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบแกหน้าเกลียดมากลม้มลงเป็นมีโรคมีอะไรนอนดิ้นอยู่ตรงนั้นเองพอถึงตรงนี้ รูปนันทาเห็นตลอดโอ้โหทำไมว่าสวยๆแล้วพอป่วยพอไข้พอแก่แล้วมันน่าเกลียดพอถึงตรงนี้พระเจ้าปิดวิดีโอเลยรูปนันทาผู้หญิงที่เธอเห็นนั้นเป็นฉันใดตัวเธอก็จักเป็นฉันนั้นมีเอ่อร่างกายของเธอนั้นมีทวารทั้งเก้าของเป่ยเน่าไหลเข้าไหลออกอย่าไปยึดมั่นถือมั่นมันกาลังจิตมันจูนเข้าพดีท่าน พระพุทธเจ้าเทาพเทอย่างนี้ได้ดวงตาเห็นทำเลยบรรลุเลยนะเพราะฉะนั้นเราไม่สามารถจะทำอย่างพระพุทธเจ้าได้เราก็เอาวิดีโออย่างเงี้ยนะครับเป็นแสดงรูปนันทาเกิดมาเธอก็เป็นเด็กแบเบาะนะอย่างนี้อย่างที่เห็นโตขึ้นมาก็ไปโรงเรียนอนุบาลอไปโรงเรียนอนุบาลมีเพื่อนเรียนมหาวิทยาลัยนะเรียนแล้วจบปริญญาได้ปริญญามาก็ไปทํางาน แต่งงานมีครอบครัวถือไม่เท้ามีลูกเต็มบ้านมีหลานเต็มเมืองถือไม่เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรสุดท้ายเข้าโรงพยาบาลแล้วก็มาจบที่วัดประยูนรูปานันธาเอ๋ย น, นี่เรียกว่าสื่อและอุปกรณ์เนี่ยพุทธเจ้าก็ใช้เราก็ใช้เหมือนกันสุดท้ายครับอถธิบายขยายจาแนกสอดแทรกภาษิตธิ์ข้อคิดมนานิทานสาทกยกสื่ออุปกรณ์ ได้สี่สอแล้วแจ่มแจ้งจงใจแก่กล้าล่าเริงท่านต้องปฏิิเทศจบให้ประทับใจครับจบจับใจเอาเรื่องที่เทศมาเนี่ยเรื่องกัตันยูเรื่องพระอุปการะเข้ากับงานให้ได้ผมก็บอกว่าสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่เราปรารภวันพระราชสมภพวันพรุ่งนี้เป็นวันแม่แห่งชาตินั้นตอนนี้รถไฟจะเข้าสถานีแล้วช้าลงแล้ว ได้ทรงงานหนักคู่เคียงกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่เก้าพัฒนาประเทศชาติทำให้คนไทยมีวันนี้ก็เพราะพระบารมีแห่งพระองค์ท่านนอกจากนี้พระองค์ท่านยังเป็นแม่แห่งชาติจริงๆเพราะเป็นพระราชมารดาเป็นพระราชชนีของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สิทําให้เราที่อยู่ภายใต้พระบรมโพธิสมภาร ได้รับพระบารมีปลกกล้าวปกกระหม่อมผาอยู่กันอย่างผาสุกมาจนทุกวันนี้อุปการะคุณของพระองค์ท่านมากมายมหาศาลจะเกินที่จะพรรณนาได้หมดจึงควรที่พระสกนิกรทั้งหลายจะได้ตอบแทนปฏิการะตอบแทนคุณด้วยการทำบุญทำกุศลเช่นสวดมน ถวายพระพรชัยมงคลดังที่พระสงฆ์ทั่วประเทศได้ทำกันอยู่และท่านทั้งหลายได้มาบาเพ็ญบุญบรรกุลรี่วัดปิยโรงสาวาทในวันนี้ได้บุญกุศลมหาศาลก็จะได้ถวายเป็นพระราชกุศลเป็นพระพรชัยมงคลเป็นปฏิการะด้วยความจงรักภักดีคือกตัญญูกะัตะเวทีต่อนี้ไป รัตนัตายานุภาเวนะรัตนัตะยะเตชะสาด้วยเดชะบารมีแห่งคุณพระศีรัตนตาไตรและอนุภาพแห่งบุญกุศลที่พวกเราทุกรูปทุกคนได้บำเพ็ญให้เป็นไปขอจงมารวมกันเป็นตบะเป็นเดชะเป็นพลวะปัจจัยถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จอะไรกาว่าไปนะพระองค์ท่านขอให้ทรงพระเจริญ พระราชสิริสวัสดิพิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการสถิตยิ่งยืนในนานในมหายสวรรค์เป็นพระมิ่งขวัญปกเก้าปกกร ม, ม่อมของพระศนิกรชาวไทยตลอดจิรธิติการรับประทานแสดงพระธรรมเทศนาในพระหุประการกถาว่าด้วยผู้มีอุปการะขุนมากพอสมควรแก่เวลา ขอสมุจติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการพระชนี